อาจารย์ครับกลาวในพิชกา ร, การครับผมยินดีต้อนรับคุณหมอะท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายครับพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นการสนทนาธรรมครั้งที่ห้าสิบแล้วครับพระอาจารย์ครับวันนี้พระอาจารย์แพทย์ขันแข็งแรงดีนะครับผมโอเคผมฟัง เ, เทศ พอไปได้ครับอาจารย์ผมฟังเทพระอาจารย์ เ, ราารยเข้าซูมเป็นประจำก็เห็นพระอาจารย์เน้นย้ําเรื่องสติเป็นประจำะครับก็เลยวันนี้จะขอพระอาจารย์เมตตาขยายความให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องสติสัมมาสติที่ถูกต้องทั้งในแง่ของการปฏิบัติและผลที่จะเกิดขึ้นนะครับพระอาจารย์ครับขอความเมตตาครับผมสมาแปลว่าถูกต้องสติคือการระลึกเรื่องที่ถูกต้อง การระลึกเร็วนี่มีอยู่สองแบบระลึกเร็วอยู่แล้วก็คิดไปด้วยระลึกเร็วอยู่แล้วไม่คิดอะไรสมาสติคือการระลึกเร็วนะก็ไม่คิดอะไรนี่คือสติที่เราต้องการคือสติที่หยุดความคิดต่างๆไม่คิดเรื่อง้าวต่างๆให้รู้ว่ากําลังทําอะไร กำลังเห็นอะไรกำลังทำอะไรอยู่กำลังอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าสติแบบทั่วไปที่เราใช้กันนี้เป็นสติที่ใช้ใช้ความคิดด้วยเช่เวลาทํางานก็ต้องมีสติอยู่ของงานที่เราทําแต่ทั้งโลกเราไม่เราไปใช้คําว่าสมาธิแทนเลยอาจจะสับสนหน่อยเช่นไม่มีสมาธิในการทํางานในวันนี้ แสดงว่าใจไม่ได้อยู่กับงานใจไปคิดเรื่องอนะื่นหรือไม่มีสมาธิกับการเรียนเลยใจไม่ได้อยู่กับการเรียนใจไปอยู่เรื่องอื่นไม่ค่อ ย, ยเรื่องอันนี้เพราะว่ามไม่มีสติไม่มีสติทั้งสองแบบทั้งแบบที่ใช้ความคิดกับแบบที่ไม่ใช้ความคิดนะี ที่ทางธรรมนี่เราต้ตองการใช้สติแบบไม่คิดเพราะเราต้องการให้ให้จิตหยุดคิดให้จิตพักให้จิตเข้าฌานเข้าสู่ความสงบความนิ่งความสุขที่เกิดจากความสงบไปนี้จึงต้องฝึกสติแบบที่ไม่คิดเช่นเวลาเราใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสติเราก็คอยดูว่าร่างกายตอนนี้อยู่ในอิริยาบถใด กำลังทำอะไรอยู่เช่นกําลังอาบน้ําล้างหน้าแปลงปันก็ให้รู้เฉยๆเพราะการกระทําเหล่านี้ไม่ต้องใช้ความคิดคิดน้อยมากก็นี่คือสัมมาสติคือฝึกสติแบบที่ไม่คิดแต่ถ้าสติที่ต้องใช้ในการทํางานนี้ไม่ต้องคิดเช่นคุณหมอคิดเรื่องงานทํางานก็ต้องคิดเรื่องงานไม่ว่า เกี่ยวกับคนนั้นคนนี้เกี่ยวกับเรนั้นเรื่อง น, น, องนี้ก็ต้องมีความคิดเพื่อที่จะทางานให้สําเร็จได้เราต้องใช้ความคิดมันใช้ความคิดจิตก็เลยไม่เข้าสมาธิไม่ได้เวลาฝึกสมาธิก็ทําจิตให้หยุดคิดไม่ได้เพราะไม่เคยฝึกให้มันหยุดคิดเคยฝึกให้มันคิดอยู่ตลอดเวลาอันนี่ สติมีมีสองรูปแบบสติแบบที่เราใช้กันทั่วไปทุกคนต้องมีสติท ำ, ทำอะไรเราก็ต้องใช้สติคิดคิดเรื่องบัญชีคิดเรื่องวางแผนเรื่องการกระทํา่างเรื่องไปเที่ยวเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีสติถึงจกทำงานต่างๆได้สำเร็จด้วยรูปแบบอันนี้เรียกว่าเป็นสติทางโลก ไม่ใช่สติทางธรรมสติทางธรรมนี้ต้องไม่คิดหรือคิดให้น้อยที่สุดคิดเท่าที่จําเป็นเช่นเวลา เ, าเดินจงกรมแล้วก็มีสติอยู่กับการก้าวเท้าของร่างกายไปดูว่ากำลังก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาไปให้รู้ท่นี้พอไปสุดทางก็รู้ว่าต้องหมุนกลับหมุนกลับแล้วก็เดิน ก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าวขวาไปจกว่าจะสุดทางแล้วก็แล้วก็หมุนกรับนี่คือสมาสติสติที่ไม่ต้องคิดถึงเวลานั่งสมาธิถึงจะได้ดูลมหายใจได้โดยที่ไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆดูลมหายใจเข้าหายใจออกจะกำหนดดูดที่ปลายจมูกก็ได้หรือบางท่านชอบการหน้าอกหรหน้าท้องก็ได้ ในท้องนี่เขามักจะมีคํากํากับด้วยซึ่งไม่จำเป็นจะต้องกํากับก็ได้เช่นยุคเหนื่อยผอมเหนือเวลาหายใจออกท้องก็ยุบเวลาหายใจเข้าท้องก็ออกให้รู้เฉยๆก็ได้รู้ว่าตอนนี้ท้องผอมท้องยุคจากการเข้าออของหายใจหรดูที่ปลายจมูกว่าตอนนี้ลมเข้าลมออกลมมันต้องเข้าให้สร็จก่อนแล้วมันถึงออกมาได้ พมันออกไปสุดแล้วมันก็กลับเข้ามาใหม่ให้ดูแค่นี้แล้วถ้าลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาเพราะร่างกายเราทีมันหายใจสัน้นบางทีมันหายใจเร็วบางทีหายใจหยาบหายใจละเอียดก็ไม่ต้องไปควบคุ ม, มนะครับลมเพียงแต่ใช้ลมเป็นอารมณ์แลือเปที่ตั้งของสติให้สติ ค, คอยรู้อยู่อย่างเดียว ให้ใจคอยรู้อยู่ดังเดียวเพราะเราต้องการเอาใจไปสู่จุดที่เนื้อแส้สักแต่ว่ารู้ไม่มีความคิดกลมแต่งนั้นเองถ้าจิตเข้าถึงสัตว์แต่ว่ารู้ไม่มีความคิดกุมแต่งจิตก็เข้าฌานได้อูปใบขาขึ้นมาฌานที่หนึ่งที่สองยังใช้ความคิดอยู่คิดน้อยก็คิดเยอะเกี่ยวกับเรื่องของลม ตอนนี้เราดูน้ำข้าตอนนี้เราว่าเรียกว่าวิตตบวิจารเป็นคุณสมบัติของฌานขั้นที่หนึง่งมีวิตตบวิจารนน้ามีปิติมีสุขอากฏขึ้นมาเพราะจิตนั่งเบานั่งสงบลงถ้าดูต่อไปเรื่อยๆจิตก็จะสงบมากขึ้นมากขึ้นวิตบวิจารก็จะหายไปเพีในแต่การดูเฉยๆแล้วก็ สุขก็หายไปในที่สุดกจิตนิ่งเหลือแต่ลมใบขานี่คือสัมมาสติต้องรู้ว่ากำลังทําอะไรรู้ว่ากําลังดูอะไรกําลังเห็นอะไรแต่ไม่ให้วิาพากวิจารณ์กับสิ่งที่เรามองเรห็นหรือเราทําอะไรให้รู้เฉยๆจิตถึงจะนิ่งถึงจะสงบถึงเป็นสมาธิขึ้นมาได้ทําไมเราต้องมีสมาธิ เพราะสมาธินี้เป็นแหล่งของความสุขที่เลิศที่สุดในบรรดาความสุขทั้งหลายไม่มีความสุขใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดความสงบเพราะความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาพึ่งพาอาศัยสิ่งต่างๆมาเป็นเครืมม่องมือความสุขรูปแบบนี้ต้องมีรูปมีเสียงมีเกลื่นมีรถที่ถูก อ, อกถูกใจะ ให้เกิดความสุขขึ้นมาแล้วก็มีส่วนเสียคือรูปเสียงกิเลสนี้เราไม่สามารถไปสั่งไปควบคุมครับให้เขาอยู่กับเราไม่เปลีป่ยนแปลงได้ตอนเดียวเขาก็เปลี่ยนไปเดียวเขาก็หายไปจากเราไปเราก็เปลี่ยนไปจากเราไปมันก็ทําให้เราเสียใจเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมา ความสุขที่ได้จากสมาธินี้เป็นความสุขเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเพราะเมื่อเราเข้าสมาธิได้เราก็สามารถเข้าได้อยู่เรื่อยๆเวลาออกมาเราก็มีสติคอยควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งหมดก็ใจไม่คิดปรุงแต่ใจก็เย็นใจก็สบายถึงแม้ไม่สงบนิ่งแต่ใจก็ไม่คิดปรุงแต่งไปทางกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาจิตก็จะไม่ร้อน แต่ถ้าเผลอสติไม่ก็กลุ่มความคิดเดี๋ยวคิดความคิดจะไคิดไปทางกิเลสตถาโมหะวิชาแล้วความร้อนใจก็เกิดขึ้นความหิวความอยากได้สิ่งต่างๆก็เกิดขึ้นมานี่คือเรื่องของความสุขที่ได้จากความสงบถ้าได้ความสุขจากความสงบแล้วจะเหนว่าความสุขจากราบยศสละเสริญ จ, จากโรคเสียงกิเลสเนี้ สู้ความสุขที่ได้จากสมาธิไม่ได้เพราะเป็นความสุขที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้ในตัวเองเราไม่ต้องพึ่งพาสิ่ต่างๆอาจารย์ครับแล้วในชีวิตประจําวันของคนที่เป็นค า, ารวาสอยู่อย่างไงครับเราจะฝึกสติไปได้อย่างไรบ้างครับรอาจารย์ก็ได้ในช่วงที่เราอยู่คนเดียวตอนเช้าตอนที่เราเตื่นขึ้นมาครับเมอเราลตาขึ้นมามันจะฝึกช่วงนั้นเลย คอยดูว่าตอนนี้ร่างกายเรากำลังอยู่ในเรียรบนบทไหนอยู่ในท่า น, นอนลุกขึ้นมานั่งลุกขึ้นมายืนลุกขึ้นมาเดินก็เฝ้าออดูเรียนบทของร่างกายออกไปห้องน้ําล้างหน้าแปรงฟันอาบ น, น้ำอาบท่าแต่งเนื้แต่ตัวอย่าให้ไปใจไปคิดถึ ง, งเรื่องราวต่างๆเจอกว่าอที่เราจะต้องพบปะกับคนเราก็ต้องนั่งพูดคุยกับเขาแล้ว ถามชาวทุกสุดดิบกันนล้วก็ลายกันก็สุดแท้แตเพราะนั้นก็ต้องมีสติอย่างน้อยก็มีสติแบบไม่ใช้สัมมาก็ดีกว่าไม่มีสติเลยคอยควบคุมใหความคิดนี้อยู่ในความคิดในทางมลองคลองธรรมอยูในความคิดที่เต็มไปด้วยความเมตตากราุณาเมตตาบุญคาใจก็ยังจะไม่ร้อนถ้าปล่อยให้ใจคิด เกิดความไม่พอใจขึ้นมาก็เกิดความกดขึ้นมานักศึกษาจะคิดไปในการว่ากล่าวผู้อื่นทำสิผู้อื่นว่าอะไรอาจจะทําให้เกิดมีเรื่องเวลาขึ้นมาถ้ามีสติอย่างน้อยก็ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นสมาสติก็ให้มันเป็นสติที่ให้ควมคิดนี้อยู่ในความคิดที่เป็นธรรมไม่มีปัญหากับผู้อื่นไม่มีเรื่องเวลากับผู้อื่น อันนี้ก็เป็นเรื่องของกาลาว่าเวลาอยู่ตามลำพังไม่ต้องทําอะไรก็ฝึกสติได้แต่เวลาที่จะต้องทํางานก็ต้องใช้สติแล้วก็ใช้ความคิดกำลังก็ต้องทําไปเวลาพบปะผู้คนอาจจะต้องมีการใช้ความคิดสนทนากันถามเรื่องราวเรื่องงานเรื่องการเ ร, เรื่องอะไรก็สุดแท้แต่เพราะนั้นก็ ต้องก็ต้องใช้สติแบบแบบคิดไปก่อนดีเราไม่มีสติเลยไม่มีสติก็ลักษณะของคนเบื่บ้าผู้จาไม่รู้เรื่องอาจารย์ครับแล้วสติกับสัมปชัญญะนี่มีความต่างกันยังไงครับอาจารย์ครับคือสตินี่เป็นสต์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะหายไปไม่ต่อเนื่องถ้าสติต่อเนื่องเราก็เรียกว่าสัมปชัญญะ ออคือความต่อเนื่องของสติใช่ไหมครัใช่แล้วสติตอนนี้เราก็เรียกว่าเป็นสัมปชัญญะไม่ขาดตอนงั้นเราต้องฝึกสติให้เป็นสัมปชัญญะให้ได้ไม่เผลอไม่เพลอครับครับไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเช่นขณะที่เรากําลังรับประทานานั่นอยู่กับการรับประทานอาหารเพีอย่างเดียวไม่เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าไปคิดเรื่องหนึ่งแสดงว่าขาดสตินะคครรัับบถ้าอยู่กับเรื่องรับประทานอย่างเดียวอย่างตอนนี้มันเขาเรียกว่ามีสัมปชัญญะในช่วงนั้นรเราจะเข้าใจนะครับอาจารย์ครับมีเพื่อนๆถามคํถาถามเกี่ยวกับสติหลายคนเลยครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆถามพระอาจารย์อีกทีนะครับจะขอน้อมนําไปปฏิบัติต่อไปกับผมคําถามจากคุณสมพรครับการมีสติในชีวิตประจำวันกับจิตว่างต่างกันอย่างไรครับ ถ้าจิตว่างคือจิตไม่โปร่งว่างแบบไม่รู้สึกตัวพอรู้สึกตัวรู้สึกว่าจิตไม่ว่างทันทีคือจิตคุ้นคิดนั้นนี่โน่นไปเรื่อยน้อมกาบขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ครับร า, างววัจิตว่างจริงๆนี่คือจิตที่สงบแน่งนั่นเองปราศจากความคิดปุ๊บแต่คือจิตที่อยู่ในฌานอยู่ในสมาธิอันนี้เป็นจิตว่างไหมแล้วก็ถ้าเรา ถ้าเราอยากคิดเรื่องนี้เเราไม่เรียกว่าเป็นจิตว่างเันจะจิตว่างจริงๆนี้ต้องจิตไม่มีความคิดปุ่มแต่หรือแต่สักแต่ว่าเราู้เพียงอย่างเดียวแล้วในสักแต่ว่ารู้นั้นก็มีความสงบมีความสุ ข, ม, ม, สขมิอุเบขาจะ เ, เรียกว่าจิตว่างนี่จิตว่างนี้ก็มีสองระดับจิตว่างแบบชั่วคราวเราก็เรียกว่าสมาธิจิตว่างแบบท้าววอนเราก็เรียกวันนิพพาน ที่ผ่านนี้ก็คือจิตที่ได้ชำระความโลภโกรนของกำจัดหมดสิ้นไปจากใจยังไม่มีอะไรมาทําให้จิตไม่ว่างเหตุที่ทําให้จิตไม่ว่างก็คือความโลภความโกรน ค, ความหลงเนี่ยที่คอยกระตุ้นความคิดให้คิดถึงเรื่องนั้นคิดอยากได้นั้นคิดอยากได้นี่ขึ้นมาจิตมันก็จะไม่ไม่ว่าง เพราะมันต้องคอยคิดหาหนว่นหานี่มาตอบสนองความต้องกายของกิเลสแต่ถ้าไม่มีกิเลสแล้วก็ไม่มีอะไรไปผักดันให้จิตไปคิดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถึงแม้จิตจะมีความคิดก็เป็น ค, ค, ความคิดที่ไม่ไม่สร้างอารมณ์ขึ้นมาคือความคิดนี้ยังมีอยู่แต่เป็นความคิดที่ปราศ จ, จากความโลภโกรธหลงเป็นผู้หลักนันไม่ไม่คิดไปในทางโลภโกรธหลงกัน ไ, ไม่ คิดไปนในทางธรรมคิดไปในทางตายและหมือคิดไปนในทางทางการคือก็คิดว่าอ้นี้เป็น น, นั้นนั่นอ้นั่นเป็นอ น, นี่ก็คิดไปแต่จะไม่มีความรักความชังเกิดจะต่าง ม, มาจากต่างที่ไปคิดว่านั่นเป็นไอนี่อ้นี่เป็ น, น, นั้นยังความว่ามันก็มีสองแบบจิตว่าเวลาสงบกิเลนมันก็หยุดทํา ง, งานชั่วคราวมันก็เป็นเหมือนนิพพานชั่วคราวแต่มันยังไม่ตาย พอจากสมาธิมากิเลสก็ออกมาทํางานต่อแต่สำหรับที่พานี้นากาจัดกิเลสหมดแล้วไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรือยอยู่นอกสมาธิจิตก็ว่างตลอดเวลาแต่คิดได้แต่ความคิดก็เป็นเพียงกิริยาไม่มาสร้างอารมณ์ไม่มาสร้างความทุกข์ความความวุ่นวายใจให้กับจิตเข้าไปคุณพานุวงศ์ครับ น้ัศการพระอาจารย์จุดประสงค์ของพระเครื่องมีเพื่ออะไรครับเพราะพระพุทธศาสนาสอนให้ไม่ยึดติดกับวัตถุครับก็ไม่มีเลยาิพระเจ้าไม่สอนก็ไม่มี <c oughs> แต่คนก็อยากจะมี <c oughs> ก็ไปห้ามก็ไม่ได้ <c oughs> คุณสมพรถามคล้ายๆกันกับเดิมนะครับพระอาจารย์ทําอย่างไรให้จิตว่างโปร่งจากความคุ้นคิดปรุงแต่งครับก็ฝึกสติอยู่เรื่อยฝึกสติธรรมน สัมมาสติให้รู้เชยๆรูอว่าเรากำลังทำอะไรคุณวีนาครับเรียนถามพระอาจารย์ว่าคนที่สติแตกหมายความว่าบุคคล น, นั้นไม่ได้เจริญสติใช่ไหมคะ น, นั้นไม่มีสติควบคุมอารมณ์ของของจิตจิตนึกอยากจะพูดอะไรก็พูดขึ้นมานึกอยากจะทําอะไรก็ทํ า, าไปมาโดยไม่ไม่รู้สึกตัวว่าสิ่งที่ตอนเองพูดแล้วก็ทํานั้นดีไม่ดีแล้ว เสียหายหรืไม่แต่ถ้ามีสตินี้เราจะกลั่นความตายตรอกก่อนมีสติตายก่อนที่เราจะพูดอะไนี้เราจะตายต่อสังเกตดูคนที่เมากับคนที่ไม่เมาคนเดียววเนี่ยเวลาไม่เมาที่เรียบร้อยสุภาพอาจารย์ดีพอเวลามาอากาศก็เด็กคนหนึ่งเลยเพราไม่มีสติคอยคอยควบคุมความความคิดความพูดความกระทำต่าง คุณป้าผัดมั่วครับพอเริ่มนั่งนั่งแรกก็จะมีรู้สึกสงบพอนั่งได้สักครึ่งชั่วโมงจะเริ่มไม่รู้เรื่องเลยค่ะจะทํำยังไงดีครับก็นั่งไม่มีอะไรกํากับใจนั่นเองถ้ามีกํากับใจก็จะไม่ไม่ไม่รู้จะรู้ตลอดเวลาเชนเรารู้ลมนี่เราจะต้องรู้ไปตลอดนะจนกระทั่งลมหายไปเราก็รู้ว่าลมหาย เมื่อเหายแล้วเราก็จะรู้ว่าจิตนิ่งสงบจิตเข้าสมาธิแล้วแต่ถ้านัฉงเฉยไปโดยที่ไม่มีอะไรกำกับใจอะไรก็เกิดขึ้นได้คุณสมพรครับการฟังธรรมะถือว่าเป็นการบําเพ็ญทานบารมีไปด้วยในตัวใช่ไหมครับไม่ใช่ในการบาเพ็ญปัญญาบารมีปัญญาบารมีในระดับสุตตะมยะปัญญา ในระๆับแรกคือป e ัญญาที่เกิดจากการศึกษาจากการได้ยินได้ฟังธรรที่พระเจ้าทรงตัดว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งการเลนะธรรมะสวนาเอตัมมังทะรมุตตะมังการฟังธรรมตามการตามเลเป็นมงคลอย่างยิ่งเช่นทุกวันพระเนี่ยจะมีการมันมีเป็นวันธรรมะสวณนาวันฟังธรรมคือถ้าไม่กําหนดวันขึ้นมาคารวาสก็จะ ไม่รู้วา่าจะฟังธรรมตอนไหนเพราะจะัวหมกมุ่นอยู่กับการทํางานแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับการเวลาไม่ทํางานก็ไปหาความสุขทางตามจมูกร่างกายก็เลยจะไม่มีเวลาฟังธรรมเลยคุเจ้าฉลาดก็เลยส่งตําหบลวันพระขึ้นมามนพระให้หยุดทํางานแล้วก็เข้าวัดสมัยก่อนต้อเข้าวัดถึงจะได้ฟังธรรมเพราะไม่มีสื่อต่างๆเหมือนสมัยนี้ ฟังธรรมต้องไปฟังธรรมจากพระที่อยู่ในวัดก็เลยถือโอกาสไปวัดได้ไปทำบุญทาทานนักษาศีลแล้วก็ทําธรรมไปให้ครบให้ครบสุดแล้วก็นั่งสมาธิได้ทานศีลภาวนาได้ทานบรารมีได้ศีลบรามในในในบรามีได้ในคัมภีร์บารมีได้อบเบทขาบรารมีแล้วได้ปัญญาบรารมีในวันพระเป็นวันที่บําเพ็ญบารมีต่าง คุณเชอรี่ครับปัจจัยไดบ้างที่ช่วยบ่มเพาะสติครับก็ส่วนหนึ่งก็ให้อยู่ตามลำพังให้มากที่สุดท่าที่จะมากได้สองต้องขยันขยันพึ่งต้อนงอาจจะบริการพูดถงเพราะการบริการมันจะบอกให้เรารู้ว่าเรามีสติและไม่มีสติแล้วเราหยุดบริการเมื่อไหร่แสดงว่าเรา อย่างน้อยมีคำบริกรรมนี่มันจะเป็นเหมือนสัญญาณบอกบอกว่าเรากําลังเจริญสติเพราะาถ้าเราดูร่างกายนี้บางทีเราอาจจะเผลอได้ไง่ายโดยไม่รู้สึกตัวว่าเรากําลังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้หยู่กับเรื่องที่เราทําอยู่เพียงอย่างเดียวแต่ถ้าเราบริกรรมพุโทโธพุโทโธนี่พอเราไม่บริกรรมพุโทโธนี่ น, อน้องหรือมีหรือเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พร้อมๆ ก, กับการบริกรรมพุโทโธ ก็แสดงว่าเรากำลังไม่มีสติแล้วถึงแม้มีฟุดโทรแต่ใจก็วัดไปคิดเรื่องราวต่างๆได้ก็ต้องมีความเพียรพยายามนะเป็นตัดใจที่ดีคเป็นพยานเตือนตนอย่างหนึ่ว่าต้องมีสตินะต้องมีสติอันนี้ข้ามมีนิยมทําเสื้อเสื้อเสื้อคอกรแจกกันแล้วก็เป็นตัวเค็นใหญ่ๆสติอยู่เด็กที่หน้าอ แต่ความจริงคนสายมองไม่เห็นจริงๆอาจจะเลี้ยงสัตว์สัตว์เขาก็สติไว้ที่ที่ฝ่ามือหรือที่ไหนทักอย่างที่เราดูอยู่เรื่อยๆเช่นมือเราเนี่ที่ฝ่ามืออาจจะสัตสติไว้พอ <c oughs> เราจับเข้าจับของอะไรเราเรื่อยๆเําวา่ววาสติ <c oughs> อย่างนี้ก็พอช่วยได้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับ ก็อยู่ที่จะดูดเข้าปเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีมีนาฬิการุ่นใหม่ๆครับอาจารย์สักพักหนึ่งจะเตือนให้ให้หายใจอย่างเนี้ยครับเพิ่นวอร์สอย่าไปหวังทุ่มสิ่งไปน่าเดี๋ยวสิ่งไปล่ามันหายไปเรื่องนันเสียไปมันก็มันก็เป็นปัญหาตามไปให้เพื่อนในตัวเราต้องก็ปัจจัยที่สิ่งที่เราต้องทําที่สร้างขึ้นมาคืออธิษฐาน แรตั้งตั้งเป้าหมายว่าต่อไปนี้เราจะมีสติอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็ตัดตามด้วยสัจจะคือความจริงใจเมื่อตั้งแล้วว่าตั้งใจแล้วว่าจะมีสติเราก็ต้องพยายามมีสตไิไม่ไม่ไม่เปลี่เปลี่ยนใจนะแล้วก็ต้องมีวิริยะมีความเพียรพยายามที่จะฝึกสติอยู่เรื่อยๆมีความอดทนเพราะว่าเวลาจะเรียสะติทั้งว่างเดียวมันก็ว่างไป เราก็ต อ, อดทนเดิงมันกลับมามครับมันก็เป็นการชักกระยเยอะกันระหว่างเผลอสติกับการมีสติช่วง ต, น ต, นตน้นๆแต่ถ้าเพียรพยายามไปเรื่อยๆต่อไปสติก็จะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็จะไม่เผลอเผลอน้อยลงน้อยเราก็อาศัยการดึงไปเรื่อยๆแค่นั้นใช่ไหมครับอาจารย์เพราะ ว, าว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าไปปิดไม่เรียกคนเดียวนะดีที่สุด มันจะได้ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีอะไรต่าง ม, มาดึงไปครั บ, ค, รบคุณปิยวันครับกับเรียนถามเวลาภาวนาเราใช้คําว่าพุทโธพุทโธดึงสติแต่ก็ยังมีวกแวกอยู่เราต้องทําอย่างไรคะให้สติอยู่กับตัวมากขึ้นคะ่ะก็ต้องทําไปเรื่อยๆอย่าหยุดอยอมลับว่าสติกําลัตงตยังน้อยอยู่มันจะวกแวก ควคิดมันยังมีกําลังมากกว่ามันก็เลยดึงจิตไปคิดได้มากเราก็ต้องพยายามฝึกสติไปเรืเร่อยๆนะเราไปสติก็จะมีเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นไปต้องใช้ขันติความอดทนใช้ความเพียรพยายามคุณสมพรครับการใช้ชีวิตประจําวันทําอย่างไรจึงหลีกเลี่ยงโมหะจริตได้ครับอหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอโมหะนี่มันครอบงำจิตใจเรา คำว่าเรานี่ก็เป็นโมหะนะถ้าเราคิดว่าเรามีเราอยู่ในร่างกายมีเราอยู่ในใจนี่ก็ถือว่าเป็นโมหะนะงั้นอย่าอย่าไปเล่นเรื่องตัวนี้เลยเพราะมั น, นมันเป็นรากเห่าของกิเลสเราเล่นเรื่องตัวความโลภดีกว่าความโลภนี้มันยังเห็นง่ายกว่าแก้ได้ง่ายกว่าคือด้วยการใช้ความมากน้อยสัตย์เดนะคือเรามักจะโลภมากอยากจะได้ของมากๆอยากจะมีของมากๆ เราต้องใช้มาก น, อน้อยก็ให้มีเท่าที่จําเป็นเช่นเราสิ่งที่จําเป็นต่อการดำรงชีพคืออะไรก็ปัจจัยสี่อาหารเครื่องม่อห่มที่อยู่อาศัยรักษาโลกเราก็หามันมาให้มันพอเพียงกับการดูแลร่างกายแบบประหยัดก็ไนดะ้แบบไม่ต้องมากเพราะถ้าอยากจะได้บ้านเนีย่ยโตอยากกินอาหารแพงๆมันก็ต้อง รื่นรมกับการทำมหากินเนี่ยอยกับการทำมหากินหาทองอย่ถ้าเราอยู่แบบเรียบง่ายอาหารเก็แบบทั้งตลอดนี่อะไรซื้ออาหารที่เขาขายตามามตามตลาดใส่ถุงมากลับมาบ่มข้าวกินเลียกกลับมาเอาซื้อข้าวด้วยเหมือนท่านกินที่บ้านก็ขอให้มันอิ่เพื่อให้รักษาร่างกายมันอยู่ได้ก็พอมันก็จะใช้เงินน้อยเมื่อใช้เงินน้อยมันก็ไม่ต้องรีดโานหาห า, หาเงินกัน ก็จะมีเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นนั่นเองต้องใช้ความมาักน้อยหรือสันโดษคือยินดีตามมีตามเกิดยินดีตามฐานะของเราฐานะเราเป็นอย่างนี้เราก็ใช้ตามฐานะของเราไปถ้าฐานะของเรามากกว่านี้เราก็ใช้ไปก็ได้ตามฐานะของเราก็แล้วกันโดยที่ไม่เป็นไปกดดันให้ชีวิตของเราต้องเริน้นรนหาเงินหาทอง มากจนเกินไปคุณสุภลักษณ์ครับเดินจงกรมกับนั่งหรือยืนต้องภาวนาแบบเดียวกันหรือคะหมายถึงเช่นพุโทโธต้องพุโทโธทั้งหมดหรือกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะก็นับแต่เรานะถ้าใช้พุโทโธนั่นตลอดก็ใช้ได้ถ้าอยู่ในระยะเดินบดเดินถ้าไม่ต้องการใช้พุโทโธกด็ดูการเคลื่อนไหวของร่าง ก, กาย เช่นดูที่เท้าที่ก้าวไปก้าวเท้าซ้ายแล้วก็ก้าวเท้าขวาไปก็ดูการก้าวเท้ากันซ้ายขวาซ้ายขวากันวิธีไหนก็ได้ที่จะทําให้ใจเราไม่ไปคิดเรื่องราต่างๆถ้ายืนอาจจะดูอาการ32ของร่างกายก็ได้ถ้าจะคิดค้างคิดอยู่กับอาการ32ของร่างกายแล้วยืนดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ ไม่มาอย่าเพิ่มไม่ขึน ด, ดีกว่ายูาลาไม่ใจดีกว่านื้คิดคำเดียวว่าคือพุทโธพุทโธีกคุณสมพรครับโยมเป็นคนรําคาญคนง่ายหงุดหงิดคนอื่นได้ง่ายเพราะโยมรักความสงบโยมต้องใช้ธรรมะใดในการแก้ความรําคาญแก้ความหงุดหงิดใจอันเกิดจากพักษะที่มากระทบใจครับก็ต้องใช้อุบเบกขานะ่ยอุเบกขาก็คือวางเฉย เขาจะทําอะไรก็เป็นเรื่องของเขาเขาจะดีเขาจะชื่วก็เรื่องของเขาถ้าเราหุนเหยียดตอนนั้นก็แสดงว่าหุเป็นขาเรามีน้อยแล้วก็ใช้ปลิกรรมพุทโธพุทโธนี่ยอย่าไปคิดถึงคนที่ทําให้เราหุนเหยียดให้อยู่พุทโธพุทโธไปเราก็จะเกิดอุ่นป็นขาขึ้นมาปล่อยวางคนนั้นได้เขาจะทำอะไรก็เป็นเรเเเื่ อ, อ, ของของเขาไปใจเราก็จะหาหุนียดได้ ถ้ารู้จักใช้คำใดคำเพร่มเธอเพิเ่มเธอคุณก้าวเดินต่อไปครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ครับข้อที่หนึ่งการที่เราอยากให้จิตรวมเป็นอุเบกขาถือว่าเป็นกิเลสไหมคะคือเป้าหมายของการภาวนาเพื่อให้มันเป็นอุเบกขาแต่ความอยากนี้มันไม่มันมันถ้ามันเป็นความอยากมันก็อาจจะพาตนเป็น เป็อุปสรรคขวามกัน้นการที่เราจะได้โอเบคาเนะี่ยเราต้องทําเข้าใจข่าหมาว่าความอยากเป็นโุนเบคา this อยากตอนไหนหรือเราต้องอยากตอนที่เรายังไม่มีโอเบคาตอนที่เรายังไม่ได้นั่งสมาธิอันนั้นเราอยากอยากมีโอเบคาได้เมื่อเราอยากมีโอเบคาแล้วก็เราทําในสิ่งที่ทําให้เกิดอุเบคาขนะึ้นมาก็คือการจเจริญสติการนั่งสมาธิ แต่เวลาที่เราจเจริญสติเวลาที่เรานั่งสมาธินี้เราต้องอย่าไปคิดถึงตามอยากให้มันปเป็นุเวก้าลืมมันไปเพราะว่าเรากําลังจเจริญเหตุที่จะพาให้จิตไปสูเ่เบก้าให้จิตเราตั้งอยู่กับเหตุอย่าไปตั้งอยู่ที่ผลคือเบก้าเพราะผลนั้นไม่เกิดถ้าเราไปคิดว่าเมื่อไหร่จะเป็สู่เวก้าแล้วตีอยากจะให้มันเป็นดุเบก้ามากเกิ น, นถ้าคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะไม่ทําให้จิตเป็นดุเบก้านะ จะเป็นอุเบกขาได้ก็ต้องอยู่ที่เหตุคือสติคือไม่คิดอะไรให้รู้อยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ดูลมไปหรือพุโทโธไปอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะได้อุเบกขาขึ้นมาข้อที่สองครับการที่เราต้องทำงานทำให้ต้องภาวนาน้อยลงแสดงว่าจิตของเราก็จะรวมได้ยากใช่ไหมคะถ้าทำน้อยมันก็มันก็ใช่มันก็มันก็รวมได้ยากขึ้น ข้อที่สามครับเวลาได้ยินเสียงอะไรแล้วตกใจเป็นเราขาดสติหรือเป็นเพราะอะไรคะมันก็อยู่ที่มันา จ, จะเป็นสัญชาตญาณของเราไม่ได้เวลาเกิดอะไรมันกระทบใจก็ตกใจแต่ถ้าตกใจแป๊บนึงแล้วหายไปเราเปนสติรู้รู้อยู่ว่าตกใจแล้วก็รู้ว่าความตกใจหายนปแกลักมาเป็นปกติกถือว่าเราไม่ขาดสติแต่ถ้าตกใจแล้วจิตเราวุ่นวายไป หลังจากนั้นก็ถือว่าเราขาดสติแนละ้วต้ตกใจแล้วก็แล้วก็ไม่มุดวายนิ่งเฉยรู้ว่าจิตเราตกใจเพราะบางทีเสียงบางอย่างบางทีมันมันมากระทบเราที่เราไม่ได้เราไม่ได้รู้ไม่ได้ตั้งตัวเนี่ยเช่นบางทีเสียงค้าผ่าเปี้ยงขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเกิดตกใจขึ้นมา ต, ตกใจแปาบแล้วก็รู้ว่ามันตกใจแล้วก็ผ่านไปแลควก กลับมาเป็นปกติองนี้ก็แสดงว่าเรามีสติอยู่อยาจะเป็นการการตกใจที่เป็นเรื่องของเหตุสุวิสัยนี่บางทีมันมันกันไม่ได้คุณบุญเกิดครับถ้าเราผิดศีลการภาวนาจะได้บุญไหมครับการภาวนานก็จะยากเช่นที่เราดื่มเชื้ราเวลานั่งสมาธิเวลาเมาออนี้นั่งไว้เรื่องนยะ ถ้าเราไปทำบาปทำอะไรมีเรื่องกับใครใจของเราก็จะวุ่นวายวิตกทังวลมันม่จะทำให้การทำใจภาวนาะนี้ทำได้ยากขึ้นคุณมิมนครับการนั่งสมาธิดูลมหายใจท่องพุทโธเวลาลมเข้าออกแล้วจิตส่งสารวจร่างกายจากศีรษะไปถึงเท้าเพื่อปรงสังขารจะผิดหรือเปล่าคะผินแล้วคนจะอยู่กับลมอย่างเดียวไม่อยู่กับพุทโธอย่างเดียว คุณก้องครับกาบนักวิชกา ร, การพระอาจารย์ครับกับเรียนถามหากเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารต้องสั่งอาหารสดให้ลูกค้าเช่นกุ้งที่อยู่ในตู้น้ํามาประกอบอาหารและต้องแนะนําเครื่องดื่มมึนเมาหรือเสิร์ฟลินให้ลูกค้าโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะทําแต่ทําไปเพื่อ ง, งานแบบนี้เท่ากับพนักงานทําผิดศีลห้าไหมครับกล่าวขอบคุณครับคือเรื่องฆ่าสัตว์เนี่ยถ้าเรามีส่วนร่วมคือดมีส่วนที่ไป ไปไปสั่งให้เขาฆ่าอย่างนี้เราก็บาปด้วยส่วนเรื่องสุรานี้ถ้าเราไม่ดื่มเองไม่บาปนั่นก็เยอแต่เรื่องการฆ่านี้ถ้าเราสั่งให้เขาฆ่าเลือดท่านเองเนี่ยถือว่าบาปมือนกันเราเทของมึนเมาให้ให้คนลูกค้ า, านี้บาปไหมครับอาจารย์ไม่บาปว่าเราไม่ได้ ด, มมดื่มอ๋อแต่ว่าเราเราอาจจะไปส่งเสริมให้เขาเมินเมา ซึ่งก็เป็ น, เ ป, นเป็นอาชีพที่ไม่ควรอยาทำขายสุราหรือเสพสุราหให้ผู้คนด็กมเพราะจะไป ส, สนุนให้ก็ขายสติน่ า, าจะากลับมาเป็นโทษกับเราไปได้พอก็เามาแล้วก็อาจจะลาวาดใส่เราก็ได้ครับคุณวีนาครับ ขออนุญาตเดินถามพระอาจารย์ว่ามีวิธีอย่างไรให้เจริญสติได้นานๆคะและสามารถเข้าสมาธิได้ทุกขณะที่ต้องการขอพระอาจารย์เมตตาความกระจาะ่างค่ะบก็ไปอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเปรวิเวกได้เจริญสติได้นานๆและเข้าสมาธิได้ทุกขณะที่ต้องการคนที่ต้องการสมาธิเขาเทคนิคนิยมไปเปรวิเวกกันไปอยู่สถานที่ปฏิบัติธรรมที่เขาให้อยู่ตามลำพังไม่ให้เกี่ยวข้องกัน และเจริญสติได้นานๆและน่าสมาี่ได้ง่าได้ทุกขณะที่ต้องการคุณป้อมครับสถานที่ปฏิบัติวัดยานกับที่เขาชีโอนสำหรับผู้หญิงต่างกันอย่างไรคะที่วัดยานนี่จะเป็นสำหรับผู้ที่เขายักมามาม า, มาอยู่เป็นหอพักคือยู่รวมกันนี่คเป็นเป็นแบบเป็นห้องพักแต่อยู่ในเรื่องเดียวกัน แล้วก็มีกิจกรรมคือลงโบ๊เช้าเย็นถึงนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิอาจจะมีฟังเทศฟังธรรมด้วยอันนี้ที่ไปเก็บที่เขาปฏิบัติในที่วัดยาในที่เขาเชี่ยวนี้เป็นเหมือนเป็นบ้านทัพส่วนตัวให้ไปอยู่คนเดียวสต่หน่อกู้ที่รู้จักวิธีปฏิบัติแล้วไปอยู่แล้วก็ไปจงรักสตินั่งสมาธิเดินโยกบก ไม่ให้ไปติดต่อกับใครไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับใครให้ตัดให้ก็เรียกว่าให้ใช้ M4 สองวันคือปิดตาหูจมูกยื่นกายไม่ให้ไปเกี่ยวข้องไม่ให้ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆที่เข้ามาทางตางหจมูกยื่นกายแล้วก็ให้เจรานสติตั้งแต่ตื่นจน คุณสมพรครับการได้ทําทานในแต่ละวันถือว่าเป็นการสะสมบุญประเภททานใช่หรือไม่ครับแต่มีวิธีการทําบุญอีกวิธีใดบ้างอีกครับนอกเหนือจากการทำทานครับรก็เราก็ไปคุยกัน้วิธีทําบุญมีอยู่เศษวิธีแด้กันทานหนึ่งสองศีลสามภาวนาสี่การอุทิศบุญห้าการอนุโมทนาบุญหกการรับใช้ผู้ การอ่านน้อมถมตนแต่ 8. การมีความเห็นที่ถูกต้องเช่นเห็นว่าบาปบุญนรกสวรรค์นี้มีจริงเก้าก็คือการทาธรรมการทธรรมสิบก็คือการเผยแผ่ธรรมให้แาผู้อื่นถ้าเรามีธรรมแล้วนะเราก็สามารถเผยแผ่ธรรมได้ การกะทสิบข้อนี้เป็นวิธีที่จะทาให้เราเกิดความสุใจขึ้นมาเป็นบุญที่เราสะสมได้แต่เป็นบุญที่มีอนิสงส์ต่างกันไปมีประโยชน์ต่างกันไปยิ่งต้องทำทั้งสิบชนิดให้ถ้าอยู่ในภาวะที่คนจะทำคือบุญบ า, บางอย่างก็อาจจะทำบ้างไม่ทำบ้างก็ได้น้าแต่ว่ามีภาวะที่ ที่ที่จะทําให้เราควรจะทำหรือไม่เราถึงแ บ, บ่งบุญไว้เป็นสองสองรูปแบบเนี่ยบุญสิบชนิดนี้คือบุญหลักกับบุญเสริมเหมือนกับอาหารหลักอกาหารเสริมอาหารหลักก็คือข้าวกับข้าวอย่างนี้เรียกว่าอาหารหลักอาหารเสริมอาจะเป็นพวกขนมผลมไม้เนื้ออาหารเครื่องดืง่มต่างอาหา ร, รหอาหารเสริมชนิดต่างๆคืออาหารเสริมนี่บางทีหนีก็ได้ไม่มีก็ได้ อาหารหลักนี้ต้องมีต้องมีข้าวมีกับขิงบุญก็เหมือนกันบุญที่เป็นอาหารที่เป็นบุญหลักก็มีหนึ่งคื อ, อการทําทานนี่ยรักษาศีลการการสังเทศสังธรรมการภาวนาเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเป็นบุญหลักที่เราควรจะทํา ท, ทุกๆวันทําให้มากส่วนบุญอื่นนี่แล้วแต่ แล้วแต่โอกาสนะเช่นถ้าเราองการอุทิศถ้าเราทำบุญล้วก็อุทิศบุญนั้แก่ผู้ได้ถ้าเราเห็นผู้อื่นเขาทำบุญถ้วเราอยากจะร่วมทำบุญกับเขาอานมโมธนาร่วมกับเขาก็ทำไปถ้ามีถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทําแล้วถ้าเราพบปากกับคนเราก็ควรจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนรม่ว่าถ้าเราพบปากกันเราเห็นเขาเดือดร้อ น, น เรากำลังทําอะไรอยู่แล้วก็ยื่นไม้ยื่นเือไปช่วยเหนือกันก็นได้เนี่ยรับใช้ผู้อเพรนั้นบุญหลักนี่ก็มีอยู่สี่ทานศีนลภาวนาแล้วก็การทำธรรมนอกนั้นก็เป็นเือว่าเป็นบุญแล้วแต่โอกาสมี โ, โอกาสก็ทําไม่มีโอกาสไม่ทําก็ไม่เสียหายหรือไงอย่างวันนี้มาฟังพระอาจาแล้วแชร์ไปนี่ก็ได้บุญแล้วครับพระอาจารย์อันนี้ก็แบ่งทำนะแต่ก็ไม่แชร์ก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ ครับผมคุณกระแตะกระทีครับอยากเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่ายังไม่เคยรับกรรมฐานจากพระอาจารย์ที่ไหนเลยไม่ทราบว่าต้องเริ่มภาวนาอย่างไรคะกรรมฐานนี่เรารับจากพระพุทธเจ้า <c ười> คือเราศึกษาว่าการที่จะเราจะภาวนาเนี่เราใช้กรรมฐานใช่ไหนซึ่งโดยหลักพระเจ้าก็สอนเนี่ยเราใช้อนาปนานสติ กรรมฐานสําหรับควบคุมจิตใจเวลาที่เรานั่งสมาธิและเวลาที่เราไม่นั่งเวลาที่เราเป็นการเคลื่อนไหวเดินโยนคมเรื่องทำอะไรนึ่ก็ให้ใช้กายกตาสตินี่แปลว่ในสติประฐานสดจะมีสองอันนี้อยู่ในในใ น, ในการปฏิบัติที่ทรงสอนอยู่เราไม่ต้องไปขอกรรมฐานที่สักที่คําว่าขอนี่ก็คือขอความรู้ว่าเป็นวิธีจะปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นปฏิบัติอย อย่างเช่นตอนนี้ญาติโยมกำลังฟังอยู่นี่ก็ถือว่าได้ขอกรรมาฐานกันนะให้กรรมาฐานไปสองอย่างคือกายกตาสติกับอานาปนสติถ้านั่งก็อนาปนสติถ้าทําอะไรต่างๆเคลื่อนไหวก็ใช้กายกตาสติแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือพุทธานุสติคือการบริกรรมพุโทโธพุทโธนี้ใช้ได้ทุกกรณีเวลามีการเคลื่อนไหวก็ใช้พุโทโธได้เวลานั่งสมาธิ ก็ใช้พุทโธได้อันนี้ก็กรรมฐานที่เราควรจะรับไปปฏิบัติกันคุณเดอะมัลติเว s ร์ u n i ยูนิตี้ครับฝากคำถามครับขอโอกาสครับเห็นจิตเป็นทุกข์เป็นพยับแดดเป็นยาพิษเป็นของร้อนแล้วทำไงต่อครับก็ทำให้มันเย็ยนหน่อยสิมันร้อยมาน้อนมันเย็ยนทำมันทุกข์ก็ต้องหาเหตุ ท, ที่ทำให้มันทุกข์มาเจากเลย เหตุที่ทําให้ใจทุกข์ก็เกิดจากกิเลสตัณหาเกิดจากความอยากมีเราก็ต้องรับความอยากให้ได้เมื่อระงับความอยากได้จิตก็จะเย็ดจิตก็จะสงบวิธีที่จะระงับก็ต้องใช้สติหรือใช้ปัญญาถ้ายังใช้ปัญญานั้นเป็นก็ใช้สติพอจิตร้อนก็พุโทโธพุโทโพุทโธไปครั้งหนึ่งความร้อนก็จา ถ้าอยากจะใช้ปัญญาก็ต้องวิเคราะห์ดูว่าเราจิตเราร้อนเทอดเรื่องอะไรเพราะอยากให้ได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้หรือเปล่าเช่นตอนนี้คนหาเสียงนี่จิตคุณจะร้อนนอนไม่ค่อยหลับกันเพราะที่จะหาเลือกตั้งบันนี้จิตจะไม่เย็นจิตจะร้อนเพราะต้องคอยกังวลว่าจะได้รับเลือกตั้งหรือไม่เห็นถ้าอยากทําให้จิตเย็นเป็นปกติไม่รู้นอนมั น, นคอยที่กํำลัง สมัครเลือกตั้งอยู่ก็ถอนซะถอนถอนใบสมัครเลยอยากไปสมัครอยากอยากเป็นคู่ว่าอยากอยากเป็นอยากอยากได้ตำแหน่งนั้นตำแหนนี้เรตัดความอยากได้ตําแหน่งนั้นตําแหน่งนี้ได้แล้วใจก็หายร้อนงายอันนี้ใช้ปัญญาวิเคราะคุณปรีดีครับ หลวงพ่อคะขอกลับเรียนถามว่าทําไมคนเราเวลานอนหลับในฝันบางครั้งมีสิ่งบางอย่างมาขอบุญกับเราคะมีวิญญาณจากประเทศลาวและวิญญาณเด็กๆมาขอตื่นเช้ามาก็ตักบากทําบุญไปให้คะ่ะเป็นเพราะเหตุใดกับขอบพระคุณคะ่ะคือมันอาจจะเป็นเพียงความคิดตรงแต่งของเราเกไ็ได้นะเราไม่รู้ว่าการฝันนี้เป็นความเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เกิดจากความคิดของเราแลือเป็น ควาจริมีดวงวิญญาณจากประเทศประเทศนี้เข้ามาหาเราอันนี้เราบางทีไม่รู้คุณแสงประณีตครับกับนักการพระอาจารย์ค่ะตอนนี้กําลังฝึกภาวนาพุทโธตามที่พระอาจารย์แนะนําอยู่ตลอดเวลาเพื่อเอาชนะความคิดฟุง้งซ่านต่างๆขอสอบถามพระอาจารย์ข่า ว, ว่าเมื่อภาวนาพุทโธไม่ว่าอิริยาบถใดก็ตามเมื่อจิตสงบแล้วควรทาอะไรหรือพิจารณาอย่างไรต่อไปเจ้าคะ เบื้องต้นนี้ก็พย า, ยามักษาความสงบให้มันอยู่นานๆอย่าเพิ่งไปทำอะไรให้มันสงบไปอย่างนั้นพอมันพอมันจะเริ่มคิดมันไม่สงบก็ใช้พุโทโธหยุดมันต่อไปมียาปวดงี้ไปก่อนให้เรามีความจำนาญในการควบคุมจิตให้อยู่ในความสงบแล้วหลังจากนั้นเราถึงค่อยไปฝึกจิตให้คิดไปในทางปัญญาต่อ คุณแอนนาครับการมัสการพระอาจารย์ขออนุญาตถามว่าถ้าเราลงทุนในบริษัทที่ขายขนมและขายเคมีกําจัดปลวกเราจะผิดศีลหรือเป็นสัมาอาชีพหรือไม่ครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเป็นความสำมาอาชีพไปถึงระดับไหนถ้าถ้าเราไม่ไม่ไม่ไมไมไมตีเป็นแผ่มันไปกว้าง ม, มันก็อาจจะไม่ผิดแต่ถ้ามันเป็นอาชีพที่เราทําโดยตัวเองเนี่ย อันนี้มันก็ผิดนะแต่ถ้าเราทํางานกับบริษัทที่มีทั้งขายขนมมีทั้งขายเคมีกําจัดปวกมีทั้งลงทุนการซื้ออาวุธหรืออะไรต่างๆเมืสมัยนี้เพราะการการค้าหรืธุรกิจนี้มันเท่มันครอบครอบคลุมแบบมันต้องแผ่กระจายไปเกือบทุกทุกแขนงมันก็เลยมันก็มีส่วนที่มันเป็นวิชาชีพคือไม่ไม่ใช่เป็นสามาชีพแต่ถ้าเรา ถ้าเราโดยตัวเราเองเราไม่ได้ไปทําสิ่งเหล่านี้เราเพียงจะเป็นพนักงานบัญชีในบริษัทนี้เป็นต้นนี้ก็ถ้าเราคิดแบบนี้เราคิดแค่การกระทําของเราที่ใกล้ตัวเรามันก็ไม่เป็นวิชามันก็เป็นสมอาชีพอยู่แต่ถ้าเราจะเอาแบบว่าต้องบยิสุทธิร้อยเปอร์เซนต์บริษัทนี้ถ้าไปทําอะไรที่ทําให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายให้แก่สิ่งที่มีชีวิตนี้ก็ถือว่าก็ไม่ใช่เป็นอาชีพที่ถูกตอ้อง นี่เราก็จะยากอาจจะต้องทําอาชีพคนเดียวขายขายส้ตมตำอะไรไปคุณภาคเหนือภาคอีสานครับการรำสการครับพระอาจารย์ทําไมพระโพธิสัตว์ท่านนิพพานไม่ได้เช่นหลวงปู่ไพบุลสุมังคาโลท่านเป็นนิยะตะโพธิสัตว์แล้วไม่สามารถถอนได้ต้องเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนใช่ไหมครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่มันน่าแต่ กับการการกทําของบุคคลแต่ละบุคคลถ้าเขาบัดใจว่าเขาต้องเป็นอเป็นพระโพธิสัตว์เขาก็จะไม่ปฏิบัติธรรมในตอนนี้เขาก็จะไม่จริญวิปัสสนาไม่พิจารณาตายรับพิจารณาอะไรต่างๆเอาแต่สร้างบา ร, รมีเช่นทานบา ร, รมีเสียงบา ร, รมีไปก่อนถ้าทำอย่างนี้มันก็ไปถึงนี้ผ่านไม่ได้ในชาตินี้แต่ถ้าเขาเปลี่ยนใจบอกว่า นิพพานนี่มันไปได้สองสองวิธีนะไปด้วยตนเองแล้วก็ไปอาศัยคนอื่นพาไปตอนนี้เรามีคนพาไปมันง่าย ก, กว่าไปด้วยตนเองนะไปด้วยตนเองต้องค้ำหาทางเองไปเราเรามองเปลี่ยนใจไม่ดีตอนแ้นเราคิดว่าเราจะไปเองเราคิดว่าเราเก่งแต่เรายัางไปไม่ถึงทุกที แต่ตอนนี้เราเจอควรที่รู้ทางรู้ทางแล้วเขาจะรับประกันว่าถ้าถ้าทําตามเขานี่ไม่เกินเจ็ดปีก็ไปถึงนิพพานอย่างนี้เราจะเอาอยัางไงเรายัางจะหัวเรายัางหัปกปักว่าเราต้องหาทางไปด้วยตนเองอยู่หรือว่าเราจะไปตามทางที่มีคนเขาพาไปอันนี้ก็คือลักษณะของโพธิสัตว์โพธิสัตว์เอาไม่ฟังใครไม่แม้แต่คําสัอนของพระเจ้าตนี้ก็ไม่ฟังแล้วขอหา หาหาสัจธรรมความจริงด้วยตัวเองก็ไม่รู้ละอันนี้ก็มู้จะพูดยังไงคุณพีระครับกาเป็นถามพระอาจารย์ครับอยากเลิกนิสัยเวลามีคนมาติดเตียนเรานินทาแล้วเขาแล้วชอบเอาไปคิดถึงแม้เรื่องที่เขาติดเตียนเราเพราะเขาหวังดีแต่ใจมันไม่ยอมรับอยากเลิกนิสัยแบบนี้ต้องทำยังไงครับทาหูทวนนมงนะ่ะ <laughs> เขาจะพูดอะไรก็ไปก็พูดไปก็จะทําอะไรก็เป็นเรื่องของเขาถ้ามองเขาว่าเปนานน็นอนัตตาได้ก็เราก็จะทําใจนะอนัตตาก็าแปลว่าไม่มีตัวตนเป็นการทํางานของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเวลาเขาพูดมันก็เป็นเรื่องของลมธาตุลมกําลงัลงทํางานเหมือนกับลมพัดใบไม้เราไปบังคับให้ลมหยุดพัดได้หรือไม่เราก็หยุดมันไม่ได้ลมมันจะพัดใบไม้ ทำไม่มีเสียงแล้อไม่มีเสีย ง, เ, ยงเราก็ไปบังคับเขาไม่ได้ขเขาอยก็ําทำไปเท่านี้ปัญหาของเรามันอยู่ตรงที่ว่าความอยากของเรานี่ อ, อยากให้เขาไม่นินทาเราอยากให้เขาพูดแต่สิ่งที่ดีเกี่ยวกับเราพอเขาไม่พูดไปก็เลยทำให้เราไม่สบายใจเราั้นต้องมาปรับใจตัวเองว่าต้องยอมรับ ว, ว่าเขาจะพูดดีก็ได้ไม่พูดดีก็ได้ เขาจะทรมก็ได้เขาจะทำเห็ุติดเตียนเราเขาได้มันเป็นเรื่องของเขาเหมือนกับเราเหมือนกับเรื่องของลมพัดที่เราไม่สามารถไปห้ามมันได้แต่ในเรื่องของคนที่ก็จะพูดแล้วก็จะทําอะไรนี้เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจเราได้ใจเราอย่าไปหวังอะไรจากเขาแล้วใจเราก็าจะไม่รู้สึกหดงเหยีดพัานใจคุณภารัตครับกาบพระอาจารย์สุชาติครับ ผมอยากถามว่าการมีสติระลึกรู้ระลึกที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ปัจจุบันสามารถรับมือให้อยู่รอดปลอดภัยได้อย่างไรครับอถ้าเรามีสติอยู่นี่พอเราเดินไปเจอสัตว์ที่อันตรายเราจะไปเหยียบงูนี่พอมีสติเราก็เลี่ยงได้แต่ถ้าเราไม่มีสติเราก็ไปเหยียบไปเดินเข้าใกล้งูงูก็ถูกงูกัดได้การมีสติก็คือการ การมันมีมีใครฟฉายแต่ที่มืดนั่นเองเพาเราจะเห็นสิ่งต่างๆที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ถ้าไม่มีไฟฉายในที่มืดดังนด้นถ้าเราไม่มีสตินี้บางทีเราไม่รู้ว่าเรากําลังเดินไปเหยียบอะไรอยู่ไม่ไม่กำลังไปเดินชนอะไรหรือไม่แต่ถ้าเรามีสติเราจะรู้ตลอดเวลาว่าข้างหน้าเรานี้มีอะไรอยู่นอนอะไรอยู่หรคุณฟ้าครับน้อมกราบนัส ก, การพระอาจารย์ครับ หากเราเคยประมาทพลาดพรั้งทำไม่ดีกับใครไว้แล้วต่อมารู้สึกสำนึกได้ต้องการขอขามาแต่เขาไม่ให้ขอขามาเราควรทำอย่างไรดีครับเราไม่ต้องไปขอขามาเพราะถ้าเขาไม่ให้ขอขามาเราก็เพียงแต่ทำความเข้าใจกับตัวเราเองว่าเป็นการกระทาที่ไม่ดีที่เราควรที่จะเลิกนั่นเองขอขามาตัวเราเองนะวัตนต่อไปนี้อย่าไปทำในสิ่งที่่สิงนั้นอีกกแล้วกัน โดยเขาจะรับขอประมาณหรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องของเขาตอนที่เราไปไปสแสดงนี่ก็เป็นเป็นมรรยาททั้งนี้แต่ถ้าด้วยเขาไม่ยินดีเพราะเขอยากตึกใจอย่างพกรธเราอยู่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วแต่แต่ เ, เ, เราต้องมีจิตจำแนกว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นผิดและเราไม่ควรจะทําอีกเราพยายามแก้ไขดัดแปลงต่อไปคุณมลิครับ นมัสการพระอาจารย์ค่ะกราบเรียนถามว่าพระชาวต่างชาติอยู่เมืองนอกใส่หมวกป้องกันแดดลมเหมือนครวาสได้ไหมคะก็แล้วแต่ครับการละเทสะคือถ้าจำเป็นจริงๆต้องใสก็ใส่ได้ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าใสโดยเฉพาะเวลาที่เราอยู่ในในชุมชนอย่างตอนสมัยที่อยู่ทางภาคอีสานในช่มงดูดาวนี่พระปฏุบัต ออกเป็นธบานนี้บางทีท่านก็ใส่ใส่บวกที่ที่ทักด้วยไมมพรมช่วยกันหนาแต่พนอะท่านเข้าระลมากบ้านท่านก็ถอดอกอกนี่นะในเวลาที่เรายังไม่ได้เข้าไปในระลมากบ้านเพื่อไี่เข้าไปเกี่ยวข้องกับประชาชนเราน่า จ, จะสวมหมวกสวมอะไรไนดะ้แนตะ่พอเราไปอยู่ที่มีชุมชนมีคนอย่างนี้เรากถ้าเราถอดออกได้ก็ถอ แต่ถ้าถอดไม่ได้จริงๆว่ามันหนาจนีงเขาก็จะเข้าใจอย่างนี้ไม่ได้ทำด้วยความความสวยงามไม่ได้วความหล่อเหลาสวหมหนะุกงอย่านี้แต่ทำด้วยด้วยความจำเป็นเพื่อที่จะรักษาป้องกันโรคภัยแค่เจ็บที่อาจจะเกิดทบร่าง ก, กายไนดะ้อันนี้ก็ทำได้คุณปรีดีครับ ลูกศิษย์ทำงานผิดเราเป็นครูอบรมสั่งสอนไม่ได้โกรธสอนด้วยเมตตาแต่เด็กและแม่เด็กโกรธมาก ท, ทั้งที่ทําผิดเขียนผิดโยมวางเฉยไม่ตอบโต้คุณพ่อเด็กเข้าใจตอบโต้แทนก็โดนรุมโยมยิ่งมองเห็นว่าความรักแบบผิดๆของแ ม, งม่ยิ่งทําให้โยมยิ่งทําให้โยมนิ่งไม่ใส่สใจโยมทําผิดไม่คัดที่ไม่ใส่ใจกับลูกศิษย์คนนั้นอีกต่อไปไม่ผินหรอก เพราะว่าเราทำํำดีที่สุดแล้วแต่เขาไม่ไม่ต้องการเราสิ่งที่ดีจากเราเราก็ไม่ต้อให้เขาเหมือนเราเทน้ําให้เขาแล้วเขาไม่หงายแก้วขึ้นมาเขาคว่ำแก้วเราเทน้ำใส่แก้วเขามันก็ไม่มันก็ไม่เข้าไปในแก้วของเขาเสียน้ปะปะําต่อ่าเราก็ไม่ต้องเทให้เขาเท่นแต่ถ้าเขาวันเยอะ ว, วันไหนก็เปลี่ยนใจแล้วก็พลิกแก้วขึ้นมาขอน้นําไหนมค่อยเทยให้เขาต่อไป ตอนที่เขาไมยอมรับคําสองเราแล้วก็ไม่ต้องไปบังคับให้เขารับเราก็หยุดสอนไปทานนึ่จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับการที่เราสามารถทนกับคําด่าการถูกเอาเปรียบจากคนรักได้เพราะใช้ธรรมะแต่พอคิดไปแล้วเหมือนเราโง่หรือเปล่าที่ยังอยู่ให้เขาด่าให้เขาเอาเปรียบจริงๆควรออกมาจากจุดนั้นหรือเปล่าคะไม่โง่หรอกคนฉลาดคนค น, คนที่นิ่ ง, งคือคนฉลาดเพราะคนนนี่รู้ว่ามันเป็นธรรมดาของโลก เรอยู่ในโลกนี้ต้องมีทั้งสร ร, ร, รเสริญต้องมีทั้งนินาทนาเป็นธรรมดาแม้แต่พระพุทธเจ้าบ้าหังนก็ต้องเจอทั้งสรรเส ร, ริญทั้งนินทาทัานก็เชยเฉยเฉยแถือเป็นเรืเ่องปกติเหมือนกับเราเจอตินฝ้าอากาศนี้เราก็รู้ว่าเดี๋ยวก็ต้องเจอฝนตกบ้างเดี๋ยวว่าต้องเจอลมพายุบ้างเป็นสิ่งที่เราเียกเรียกไม่ได้ถ้าเราอยู่ในโลกนี้โลกธรรมทั้งแปดนี่เป็นสิ่งที่เราท่กคนเรียกไม่ได้ คุณสมพรครับบ่อยครั้งที่คิดเยอะจนทำให้ปวดไทยทอยปวดต้นคอยิ่งรู้ว่ากำลังคิดยิ่งคิดเข้าไปใหญ่ยิ่งจะให้หยุดคิดก็ยิ่งจะคิดอย่างนี้โยมต้องทำอย่างไรครับคิดททพุดโทโธแทนเลยคิดพุดโทโธพุทโธพุทโธคิดอิทิพย์โสแทนคิดไปทั้ง ร, ร้อยจบอินที่ย์โสตควาอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาเจรณาสัมปโนคิดไปรนอรนจบ คุณมะลิครับพระที่บวชภิกษุณีโดยพระภิกษุอย่างเดียวไม่มีภิกษุณีสงฆ์ถือว่าถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องหรอแม้แต่มีภิกษุณีสงฆ์ก็เป็นไปไม่ได้เพราะในยุคนี้เราไม่มีภิกษุณีสงฆ์ในสายของเทราวา น, นะแต่สายของมหายานี้เขายังมีอยู่นั้นสภาพรตีบางท่านที่ต้องการจะบวชเป็นภิกษุณีเขาจะไปบวชกับพวกมห ah ายา แต่พอเขาอยู่กับพวกมหายานเขาก็ไม่สามารถที่จะมาอยู่กับพวกเทราวัฒนะเพราะเราถือว่าเรามีมาตรฐานการปฏิบัติไม่ไม่ไม่เหมือนกันครับวชนอกพญานาคอาจจะทําให้มันกลายเพศกลายพันธุ์ได้ก็เลยต้องรักษาความบริสุทธิ์ของพันธุ์บา้บางมันมสัตว์หลายชนิดบางแห่งเขาเขาจะไม่ให้สัต์แปลกปลอมเข้ามามาร่วมอยู่ด้วยเช่นเลี้งเนี่ยบนเขานี่จะเป็นเลี้งหางสั้น เขาจะไม่ให้มีลิงหายาวเข้ามาอด้วยเพราะกวเดี๋ยวมันจะกลายเป็นลิงที่หาสั้นก็ไม่สั้นยาวก็ไม่ยาวขึ้นมาพันก็ได้กลายพันได้อันนี้ก็เหมือนกันการบวชิกษุณีทางถ่ายเทราว่านี้ถือว่าสิ้นสุดอกแล้วเพราะไม่มีภิกษุณีสมมีแต่ภิกษุสองภิกษุสองอันเดียวนี้ไม่สามารถดวชเป็นภิกษุณีเป็นภิกษุณีขึ้นมาได้ตามท้าปัญญตัตาของพระวินัยของพระพุทชเจ้ ลิงบนเขาชีโอนเหอครับอาจารย์ที่เป็นหิงสั้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ทราบใครมาปล่อยลิงหางยาวหลบเข้าไปอยู่แต่มันก็มันก็ม่กจะเข้าสูงไม่ได้เพราะมันแปงมันแปลแล้วพวกที่เข้าไปสูงเนี่เขาจะคอยกันจะกสูงเดี๋ยมาคอยกัดมันไม่ได้เามันก่อนก็เจอตัวเบลเลอร์เลยครับมาโหนไม้อยู่คับกุดถ้าเจอลิงทอนชนะเราเคยเป็นหัวหน้าเรก่อนแล้วแก่แล้วอายุา้อยกว่า เห็นตัวเบลเลอร์เลยครับคีลอาถ้าอยู่ตัวตามลำพัํานึงตัวเบลเลอรมอยู่แสดงเป็นเิ่แก่หมดกำลังสู้เล่งหนุ่มเล่งหนุ่มไม่ได้เล่งหนุ่มปฏิวัติยืทําหน้าครับวันนั้นเห็นตัวเดียวตัวเบลเลอร์เลยครับตัวเดียวตัวเบลเลอร์แสดงว่าเป็นเป็นเป็นเป็นหัวหน้าเก่าแต่หมดมันก็จะมซึ่งก็จะมีครับ คุณเชอรี่ครับการกําหนดรู้ถกับสติเป็นจึงสิ่งเป็นสิ่งคู่กันใช่หรือไม่ครับก็เป็นอันเดียวกันน่ะถ้ามีการกําหนดรู้ก็แสดงว่ามีสติกําหนดรู้อยู่กับลมหายใจกําหนดรู้อยู่การเคลื่อนไหวของล่างกายก็เรียกสวัสสตินี่คุณปัทมาครับนรมาสการค่ะถ้านั่งสมาธิสามารถนั่งที่บ้านได้กี่นาทีดีคะ นั่งนานน้ำให้ได้มาที่สุดเท่าที่างนั่งนด้จะนั่งนานไม่นานนี้อยู่ที่กําลังของสติของเราถ้าสติดีก็นํางได้นานสติไม่ดีก็นําได้แป๊บเหลือถ้าอยากจะนั่งนานก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นแล้วก็จะนั่งได้นานขึ้นเพราะการนั่งสบายที่ได้งานนี่มันดีมันมีประโยชน์อย่างนั้นมันก็ทําให้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วที่บางบางทีเราอยู่เฉยๆไม่อยากทำอะไรแล้วรู้สึกเหงาอย่างเงี้ยเบือ่ออย่างเงี้ยลงนั่งสบายมันก็จะหายเหงาหายเบือ่อ คุณปริชาติครับหลวงพ่อเจ้าคะแม่ดิฉันป่วยติดเตียงช่วยเหลือตนเองไม่ได้มีพี่สาวดิฉันเป็นคนดูแลทําไปด่าไปบ่นไปแบบนี้จะเป็นบาปหรือบุญกันแน่เจ้าคะเราไม่ควรด่านไม่ควรบ่นควรจะดีใจว่าเราได้ทําหน้าที่รับใช้พ่อแม่ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่เพราพ่อแม่นี่เปรียกเหมือนป้ารานของลูกๆถ้ามีพ่อคุยกับลูก่าเราเกิดมาได้อยู่มาได้จนวันนี้ก็เพราะพ่อคุณขพ่อแม่ที่มีแต่ กบลังตอนนี้ท่านเดือดร้อนท่านต้องอาศัยเราให้ดูแลเราก็ควรจะดีใจว่าเราได้มีโอกาสทํำมันกันแล้วเราก็ต้องอยา่าเลยว่าเรารับใช้ท่านในฐานะคนรับใช้ไม่ใช่ในฐานะของเป็นเจ้านายคอยสั่งให้ท่านทํานู่นทำนี่เราต้องคอยรับใช้ถามถาว่าท่านปอะกาศทำนันให้ทำอะไรท่านปรกาศอะไรไม่ใช่ไปสัง่งว่าให้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้อันนี้ไม่ถูกในฐานะของลูกไม่ควรจะสั่งพ่อสั่งแม่ ควรจะรับใช้เรารับคำสั่งจากพ่อจากแม่คุณแอนนาครับน้อมถามพระอาจารย์ทำอย่างไรที่เราจะมีสติอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสติในบางครั้งหรือหลายๆครั้งครับก็ลองหทำุโธอย่ทำุโธอยู่คุณทีระครับคำถามครับถ้าทั้งโลกเป็นสมมุติทั้งหมดแสดงว่าทุกสิ่ง เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งขึ้นมาทั้งสิ้นไม่มีสิ่งใดไม่ถูกปรุงแต่งเลยใช่ไหมครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการประสมปรุงแต่งของธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟยกเว้นพวกที่เป็นธาตุล้วนๆนี้ก็ไม่มีการปรุงแต่งเช่นธาตุดนี้ก็ไม่มีการปรุงแต่งลมก็ไม่มีการปรุงแต่งความร้อนก็ไม่มีการปรุงแต่งมันเป็นของมันล้วนๆอยู่ตามธรรมชาของมันดินก็ไม่มีการปรุงแต่ง แต่บางทีเราเอาทั้งสี่อย่างมาผสมกันเช่นเราเอาน้ำมาใส่ใส่ดินแล้วก็มีมีความร้อนมีนม้มีอากาศต้นไม้มันก็จะเลิ่ขึ้นมานะเป็นต้นไม้ที่กระจายการรวมตัวของดินน้ำลมไฟแต่ถ้าสิ่งใดที่เกิดมารวมพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ไปสมมุติไปตั้งชื่อให้เหมือนว่าเป็นต้นไม้เป็นกล้วยเป็นมะละกอเป็นสับประรดอะไรหลายแปะขยายพาันธุ์ไกลเลย การเป็นร่างของมนุษย์ตรากแล้วก็เป็นคนไทยคนจีนเป็นหญิงเป็นชายนี่ก็เป็นสมมุติเท่านั้นคามจริงมันก็เป็นการปูงแต่งการผสมปูงแต่งของท่าสี่ถ้าเป็นมนุษย์เก่ถาถอดเดรัชาน ย, ยังมีท่าอีกท่านหนึ่งที่เรามองไม่เห็นคือท่ารู้มาร่วมด้วยท่าสี่เกิดในน้าลงไปที่ทําร่างกายแล้วยังมีท่าที่ห้าคือท่ารู้เป็นผู้มาสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆให้ร่างกายเดินให้ร่างกายคิด ให้ร่านกายเกืนอหนุให้ร่างกายคูณอันนี้เป็นหน้าที่ของธาตุนิวเคลียเมื่อถึงเวลาธาตุทั้งห้าก็จะแยกทางกันไปเมื่อกําลังที่จะดึงให้ธาตุทั้งห้ที่อยู่ร่วมกันสู้กําลังที่จะคอยแยกทางให้ออกจากกาันไม่ได้ธาตุมันก็จะแยกออกจากกันในที่สุดก็คือตอนที่ร่างกายตายนี่เ่อร่างกายตายไปธาตุน้ําก็ออกจากร่างกายไปธาตุไฟก็ออกจากร่างกาย ท่านลองก็ออกไปในที่สุดก็จะเหลือแต่ท่าตเองท่านรู้กั็ยากยากไปก่อนนะไปก่อนเพื่อนเลยพอไม่ลมพอไม่มีลงหายใจท่านรู้ก็ไม่อยู่ของร่างกายนี้นะแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมารวมกันใหม่เดี๋ยวก็มีร่างกายใหม่บางเกิดใหม่ก็มีการวตัวของท่าท่านท่านนี้ใหม่แล้วก็แยกกันใหม่เวลาตายทุกสิ่งทุกอย่าง ก, ก็แล้วก็มาสมรวจท่านเหล่านี้ว่าเป็น เป็นสัตว์เป็นหนุ่คนเป็นหญิงเป็นชายเป็นชาวมุ่นชาวนี่ขึ้นมาเป็นคนดีเป็นคนชั่วอะไรว่าไปร้อยแปดพันประการเป็นสมมุติ์ทั้ั้คุณมาลีครับระหว่างเดินจงกรมถ้าเราเห็นอะไรที่ไม่เหมาะสมหรือปลอดภัยหรือรบกวนสมาธิเราสามารถหยุดเดินแล้วไปจัดการสิ่งเหล่านั้นได้หรือไม่หรือปล่อยไปก่อนคะ เราก็รลบแต่เหตุผลว่าเราควรจะทำอย่างไรถ้าจำเป็นจะต้องจัดการก็จัดการไปถ้าไม่จาเป็นก็ปล่อยมันไปหรือถ้าเราต้องการฝึกฝึก ป, ปูเบคาฝึกปล่อยวางก็ไม่ต้องทำเลยแล้วก็อยู่เฉยๆไปจนกว่าสิ่งนั้นผ่านไปแล้วเราก็ค่อยทำอะไรต่อไปก็ได้อันนี้ข้นล้าแต่ต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์แล้วแต่กรณี อาจารย์ครับอย่างตอนที่ไปปีกย้วยย้วยครั้งก่อนเนี่ยครับตรงทางตรงกลมมันมีฝนตกแล้วก็มีพวกขอยทากมาเดินเต็มเลยเนี่ยครับอาจารย์ผมก็ผมก็คิดว่าเออผมจะหยุดแล้วไปเอาออกดีหรือว่าผมจะเดินด้วยความระมัดระวังมันก็จะยิ่งสร้างสติมากขึ้นแต่มันก็ดีอะไรดีก็การอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็ต้องดูเลยว่ามันเวลาทำจริง ๆ, ๆแล้วอย่างไรดีกว้าสติของเราล ะ, ละเพียรมันตายเนี่ยมันก็ลำบากดังนั้นก็ย้ายที่หรือก็ย้ายมันไปก็ได้เนื้อเราย้ายที่ไป ให้เราสามารถจับตัวมันแล้วก็เอาไปปล่อยในกายหน่อยจ้ะอยากทำเดินน้ำมันครับวันนั้นเพ่อทาเดินได้วันนั้นเคลียรวันนั้นก็กลัวเหยียบเขาก็เลยเคลียรทางเดินไปครับเดินแต่สังเกตว่าตอนที่เดินตอนมีพวกเขาอยู่มันก็ระวังตัวมากนะครอาจารย์ใช่เราโอกาสเธอเขามามือนกันว่าเราจะบางทีเราจะไม่มีสเตจอย่างตอนเนี้ย คราวหน้าเดินกลับมาตรง น, นี้อ้ากรอบไปซะสิกรอบถ <c oughs> ้าลืมไปหรือเขาเคลื่อนไหยด้วยเขาเคลื่อนมาเนี่ยแต่ถ้าเราคิดว่าเป็นการฝึกสติฝึกความระมัดระวังก็กก็็กกกกทําได้แต่ต้องให้มันระมัดระวังจริงๆอย่าไปทําให้เขาตายครับอาารคุณฉันไม่ใช่นางเอกครับทําให้แม่ร้องไห้บ่อยๆแล้วลูกมาขอขอมาจะบาปติดตัวลูกไหมคะเมื่อแม่อโหสิ อโอ้โหเศียที่จะไม่มีเวรค็อแม่จะไม่นอนจาเวงกับเราแต่บาคือนิสัยไม่ดีมันจะติดไปกับเราที่เราต้องแกง้เริมเริมทำให้แม่ร้องไห้เสียคุณแพทครับกาเรียนถามค่ะการดูกายดูว่ากายมีการเคลื่อนไหวอย่างไรแต่ขนาดเดียวกันจิตก็ยังคิดเรื่องอื่นไปด้วยถือว่าเป็นการดูกายที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะและสติต่างกับสมาธิอย่างไรคะ ยังยังไม่ถูกต้องเพราะว่าจิตยังมาไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนีนน้ต้องพยายามบังคับให้มันอยู่กับร่างกายเพียงอย่างเดียวถ้าไม่ได้ก็อาศัยการบริกรรมพุโทโธขึ้นมาอีกงานหนึ่งเพื่อบังคับให้ให้มันไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วก็บริกรรมพุโทโธควบคู่ไปได้วยก็ได้ก็อาจจะทําให้หยุดความคิดเรื่องอื่นๆได้ส่วน ควาต่างระหวสติกับสมาธิก็คือสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลสติจะเป็นผู้ที่จะคอยควบคุมบังคับให้ใจห ย, ยุดคิดพอหยุดพอใจหยุดคิดได้เต็มที่จิตนิ่งเขาเรียกว่าสมาธิาคุณพีโกครับเรียนถามพระอาจารย์กะคำกล่าวสังขารขันไม่เที่ยงต้องพิจนารณาอย่างไรครับกราบขอบพระคุณครับหลักการก็คือสิ่งที่ปู้แต่งนั่นเอง ในที่นี้หลักอหมายความจริงคําว่าสังขารในทางธรรมนี้มันมีสองอย่างด้วยกันร่างกายก็เป็นอันหนึ่งร่างกายนี้เป็นสังขารคือเป็นสเ่งที่ผุพังเคลื่อนเลื่อนดินน้ำลมไฟมันไม่เทียมเพราะมันเดี๋ยวมันจะต้องแยกตัวออกจากกาันร่างกายเดียวอยู่ในชั้นผ้าก็ตายพอตายดินน้าลมไฟก็แยกไปคนละทิศคนละางอันนี้ก็เรียกสังขารไม่เทียมอีกอันหนึงคือสังขารคือความที่ตูดแต่งก็ไม่เทียม มันไม่หยุดนิ่งมันไม่คิดแต่เรื่องเดียวมันคิดหลายเรื่องหลายประการนั่นกับคิดเรื่องนั้นแล้วก็คิดเรื่องนี้คิดเรื่องนี้แล้วก็คิดเรื่องนั้นเราก็เรียกว่ามันไม่เที่ยงคาว่าไม่เที่ยงก็คือมันเปลี่ยนไปเปลีป่ย น, น, นมาคุณกัตทีครับน้อมกราบบุตรสาวอาจารย์ค่ะขณะสวดมนต์หรือบริกรรมในใจจิตยังหนีไปคิดอย่างอื่นจะบังคับกลับมาได้หรือไม่คะ มันก็เดินกลับมาถ้าเวลาเรารู้สึกตัวเราก็เดินกลับมาใหม่ๆนั้นก็จะเป็นแบบเนี้ยพอสติเราแบบมั่นยุบทุกทานเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เดินพอเราเผลอเราเดินป้ามันก็แวะไปคิดกำลัเรื่องนี้พอเราได้สติก็เดินกลับามาใหม่ใหม่ก็ต้องอดทนทําไปอย่างนี้ไปก่อนเดินหนึ่งไปเดินหนึ่นงมาเรียกว่ากาชักไปเยอะเมื่อเวลาสติเราอิกําลังมากขึ้นมากขึ้นกาเรเผลอก็จะน้อยลงไปน้อยลง คุณมลิครับระหว่างเดินจงกรมโดยบริกรรมพุโทโธแบบออกเสียงเบาๆแทนความรู้สึกที่การก้าวเดินต้องวางจิตที่ไหนครับเพราะใจไม่สงบและมัก ม, มีเรื่องให้คิดแทรกขึ้นมาเลยต้องบริกรรมแบบออกเสียงโดยรูร้สึกถึงลิมฝีปากที่ออกเสียงแทนก็ตาดูท้าไปแล้วใจก็อยู่กับพุทโธไปก็มันก็ต้องอยู่กับทั้งสอส่วนก็เดินไปข้างหน้าเราก็ต้องรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้า เช่นที่คุณหมอบอกถ้าเกิดมีหอยทากมีอะไรเราก็ต้องเก็ต้องเห็นด้วยแต่ใ น, นขนาดเดียวกันใจเราก็ต้องไม่ไปคิดเรื่องอื่นให้ให้ให้คิดอยู่กับพุทโธพุทโธ คุณสิริพรครับกราบน้ัศสการพระอาจารย์ขา่าสวัสดิอการที่เราฝึกจเจริญสติไปเรื่อยๆเมื่อเราอายุมากขึ้นจะสามารถช่วยเรื่องโรคอัลไซเมอร์ได้หรือไม่คะและตอนนี้เห็นคุณยายอายุเก้าสิบหกปีเริ่มหลงๆ ล, ลืมๆเพอ้อๆบ้างเราพอจะช่วยได้อย่างไรบ้างค ะ, ะถ้าฝึกสติจนเป็นสำปจชัญญะแล้วความอัลไซเมอร์จะเข้ามาไม่ได้เพราะจะไม่จะไม่ลืมดูครูบาอาจารย์ที่ท่านอายุกัน เก้าสิบกว่าถึงน้อยนี่ท่านยังท่านยังจิตใจของท่านสติสตางค์ของท่านมันยังสมบูรณ์อยู่ความประจุความจำในต่างก็ยังจําไม่หลงลืมแต่เรื่องท่านอาจจะลืมเรื่องเหตุการณ์ในต่างได้เช่นเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้นมา่อปีที่แล้วหรือลืมคนนั้นคนนี้ถ้าไม่ได้เจอหน้ากันบ่อยอันนี้หลงลืงได้แต่จะไม่ลืมชีวิตของท่านว่าท่านตอนนี้กําลังทําอะไรถึงเวลาจะต้องทําอะไรท่านจะไม่ ส่วนอะไรนะคุณยะช่วยนะตอนนี้ถัาถ้าเก้าสิบหกแล้วมันก็สายเกินไปที่จะช่วยแล้วนะว่าไม้แก่ดัดยากถ้าอยากจะดัดไม้ต้ดัดไม้อ่อ น, นฝึกเด็กด้วยก็สอนเด็กให้มีสติฝึกสติไปตนะั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวต่อไปเวลาที่มันแกะนะ่แล้วมันก็จะติดเป็นที่สัยไปคุณมือแสวงครับ การวัดสการพระอาจารย์เคยได้ยินเรื่องจิตเดิมแท้คืออะไรครับเป็นไปได้ไหมครับว่ามีสองจิตระหว่างดีกับชั่วครับจิตเดิมแท้ก็จิตที่สงบน่งจิตที่ปราศ จ, จากความคิดปรุงแต่งเพราจิตที่อยู่ในสมาธินี้คือจิตเดิมแท้ันนั้นเดินแต่ผู้รู้อย่างเดียวสักแต่ว่ารู้อย่างเดียวแต่ก็พอทำมาก็กลายเป็นจิตปรุงแต่งไปคิด น, นั่นคิด น, นี้จิตสมมุติไปสมมติเราเป็นมมปนูมมนน่นเป็นนี้ขึ้นมา แต่เรจิตสงบนี้มันเดียวแต่ตัวรู้ตัวเดียวสักแต่ก็รู้จุดเป็นจิตตัวเดียวกันไคนคนคนเดียวคนนอนกับคนตื่นอย่างนี้คนตื่นก็เป็นทําอย่างใช่คนตื่นก็ทํานู่นทานี่คนนอนก็นั่งเฉยๆนอนเฉยๆเป็นคนเดียวกัน คุณอักษราครับคนเราสามารถทําจิตให้ว่างได้ตลอดเวลาใช่ไหมเจ้าคะหากมีสติโดยตลอดดังนั้นเขาจึงเป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวในโล ก, กธรรมนะเจ้าคะก็ต้องมีสตินะปัญญาด้วยถึงจ ะ, จ ะ, จ, ะจะได้มีสติโดยตลอดถึงจะได้จะได้ไม่หวั่นไหวตลอดเวลาในโล ก, กธรรมแต่ถ้ามีสติอย่างเดียวนี้บางทีถ้าพอเผยสติก็ยังจะเกิดความหวั่นไหวขึ้นมาได้เน้นทั้งสุขทั้งสติทั้งปัญญา คุณป๋องครับกาบเรียนถามการทําละหมาดของชาวมุสลิมถือเป็นการเจริญสติไหมครับอันนี้ไม่ทราบต้องขอไปเรื่องไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ไม่กล้าไปาวิพากษ์วิจารณ์คุณโฮมอโลนครับเวลานั่งภาวนาเรารับรู้ทุกสิ่งที่เข้ามากระทบเช่นจมูกรู้กลิ่นอะไรกายรู้สึกร้อนเย็นเสียงที่เข้ามาเป็นการมีสัมมาสติไหมครับไม่ใช่คนระับ เวลานั่งพ อ, อนายต้องให้มีสติเกี่ยวเรื่องที่เรากําหนดให้ให้ให้อยู่ด้วยเช่นถ้ารับอยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวหมืออยู่กับพุโทโธเพียงอย่างเดียวส่วนจริงอล่นมากระทบนี่อยากไปสนใจเพราะจะทําให้เราเสียสมาเสียสติเสียสมาธิได้คุณรุ้งคลามครับกราบนรรสการ์ค่ะถ้าเราจ่ายเงินเดือนให้ลูกจ้างแล้วลูกจ้างนําเงินนี้ไปทําแท้งเราจะกลายเป็นผู้ร่วมกระทําด้วยไหมเจ้าคะ ไม่หรอกเพราะว่าเราจ่ายเขาเพราะว่าเราเราเราจ้างเขามาทํางานเงินรายได้ของเขาก็จะไปใช้อะไรนี้เป็นเรื่องไม่เกี่ยวเลยคุณกระต่ายครับน้อมกลาวนามัสการพระอาจารย์กล่าวเรียนถามพระอาจารย์เวลานั่งสมาธิทีไรเวทนาเจ็บปวดที่ขาอย่างพอทนได้ในลําคอมีน้ําลายเต็มเลยขาก้าวข้ามไม่ขืนน้าลายไม่ได้สักที พอคืนลงไปก็บอกตัวเองว่าเริ่มใหม่อีกแล้วเหรออย่างนี้จะทําอย่างไรดีคะเคยปล่อยให้มันไหลออกมามันก็ไหลออกมาจริงๆจะบังคับไม่ให้มันมีน้ําลายได้อย่างไรคะควบคุมมันไม่ได้ทํำยังไงดีคะก็ควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยมันไปให้เรามีสติอยู่ครับอานมณ์ที่เรากาลังไว้เพ่งอย่างเดียวอยู่กับอารมณก็อยู่กับอารมณ์ไปอยู่กับพูทโธก็อยู่กับพุทโธไ ป, ไ ป, ไปส่วนน้าลายมันจะไหลออกมาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอนานก็ไปล้างหน้าล้างอาบหน้าได้ รับประกันได้ว่าถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเดี๋ยมันมันก็หยุดไหลเองยิงเราไปรับรู้มันไปคิดถึงมันมันก็ยิ่งไหลอ่ะอย่าพยายามอย่าไปคิดถึงมันพอมันจะไปคิดถึงน้ํำลายก็ให้กลับมาที่อยู่ที่พุทโธพุทโธพุทโธไปหรือยู่กับลาหมายใจคุณสุนทรครับขอน้อมน้อมกราบธรรมสการพระอาจารย์ครับขณะผมภาวนาเกิดกายแผ่สั้นส้นบอกเลยว่าไม่ใช่ฌาน ไม่ใช่ยานขายชาญผมลืมตามจงรู้กัดเด็กนิ้วรู้มีแต่รู้อยู่อย่างนั้นรู้แบบกายทราบสราบปิติกับผมอยากทราบว่าเป็นสภาวะใดครับก็จะเป็นความสงบในระดับหนึ่งแต่ยังไม่สงบอย่างเต็มที่ถ้าสงบเต็มที่แล้วมันจะไม่รู้อะไรเลยไม่รับรู้อะไรเลย่างกายนี้อาจจะหายไปจากความรู้สึกเลย คุณแหม่มครับกาเบรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าพี่สาวป่วยอยู่ในโรงพยาบาลตัวเราเองก็เข้าใจนะคะว่าร่างกายเป็นธรรมชาติย่อมมีความเจ็บเป็นธรรมดาแต่บางครั้งก็ยังกังวลเราควรต้องตั้งสติอย่างไรคะก็แยกใจกับออกจากร่างกายตัวพี่สาวอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายตายไปพี่สาวก็ยังอยู่ต่ออยู่ในสภาพของดวงวิญ ญ, ญาณเราก็สามารถที่จะส่งยินไปให้พี่สาวได้ ด้วยการทำบุญนล้วกอดชิงบุญให้ครับพี่สามคุณสนั่นครับน้อมกราบนวัชการพระอาจารย์ขออนุญาตครับเรามีเจตนาดีกับเขาตลอดคือรักเคารพและเป็นห่วงเขามาก มาวันหนึ่งเขามาบอกว่าเราไม่เคารพเขาเลยตั้งที่เราไม่รู้ตัวเลยอันนี้บาปไหมครับเราไม่รู้แต่อาจจะพลาดไปด้วยความรักและห่วงเขามากอันนี้ควรหาทางออกอยังไงควรวางเฉยหรือตอบโต้หรือไปปรับความเข้าใจกันเพราะดูดูแล้วเขายังมีความกังวลอยู่ขอคําแนะนําครับรอาจารย์ก็ลองถามว่าเดียวว่าที่ไม่เคารพเขา่เป็นอย่างไรแล้ว เ, เราก็สังเกตดูว่าเราเป็นอย่างที่เขาพูดหรือไม่้าเป็นอย่างที่เขาพูดแล้วก็ตรบ แก้ไขให้มันเป็นไปในลักษณะที่เป็นคามเคารพเท่านั้นเองบางทีเราอาจจะมองตัวเราหมองไม่ออกก็ได้ใจเราอาจจะคิดว่าเราเคารพเขาแต่กิริยาการของเรามันไม่เคารพเขาก็ได้บางทีต้องอาศัยให้คนเดินเขาเข า, าบอกหน่อยทีเราต้องเป็นคนที่ยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์ตาำหนิตีเตียนของผู้ไได้แล้วนํามากแก้ไขในสิ่งที่เราบพ่บ คุณมารีรัตครับกราบเรียนถามพระอาจารย์หากเราคิดอยากจะมีเงินมากๆจะได้ทําบุญให้ชื่นใจอย่างนี้โลกไหมคะโลกการทําบุญนี่ให้ทําตามกำลังของเํ า, ต า, ต, า, ต, า, ต, าตามที่เรา ม, มีเพราะเวลาได้เมื่มาจริงๆมันไม่ทำหรอกบางคน ถ, ถ้าจบวัยแล้วจะทำบุญใช่จกวัแล้วทําถูกร้านหนึ่งหกร้านเนึ่ยมาทําแค่สองพันเมื่อสองหมื่นแล้วก็ออกกไปกินไปเที่ยวไปเดินมันจะมากกว่า คุณนภาครับการเรียนถามพระอาจารย์คาถาอาคมเป็นอวิชชาหรือไม่คะก็เป็นสายศาสตร์อย่างหนึง่งซึ่งเราก็อาจจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงว่าเราไม่รู้แตบางคนเขาเชื่อน่าอาจจะเป็นจริงสําหรับเขาก็ได้แต่ถ้าเราไม่เชื่อเราก็ไม่ทำไปลบหลู่เขาก็แล้คุณรุ้งครับ ถ้าเราเป็นโรคร้ายแต่ไม่อยากรับการรักษาถือว่าเราฆ่าตัวตายไหมเจ้าคะไม่หรอไม่ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายแล้วต้องมาอุดจมูกเราเนื้อแขวนคอเราอย่างนี้ยังได้เป็นการฆ่าตัวตายคุณทศพลครับกลาวเรียนถามพระอาจารย์อุปจารสมาธิเพียงพอสําหรับการทำวิปัสสนาไหมครับไม่พอไม่อุปจารสมาธิที่เป็นสมาธิที่ไม่ ไม่สนับสนุนการทำมิปัสสนาต้องเป็นคณิกาและเป็นอับปนาสมาธิคณิกาก็ไม่สนับสนุนว่าคณิกานี้มันสั้นต้องเป็นอับปนาต้องเป็นสมาธิที่นิ่งสงบยาวนานที่จะสามารถสนับสนุนการจเจริญวิปัสสนาได้คุณวิมลครับที่สถานปฏิบัติธรรมของท่านโกเอนก้านี้ถือว่าเป็นที่ปลีกวิเวกได้ไหมคะไม่เคยไปเลยไม่กล้าทำ เราไปดูเพราะมันเป็นวิเวกแบบแบบเป็นกลุ่มกับแบบเดี่ยวมันต่างกันนะการไปวิเวกที่แท้จริงต้องเป็นเป็นไปอยู่คนเดียวนี่นี้เรียกว่าป็นวิเวกการไปอยู่ที่สถานปฏิบัติแล้วปฏิบัติกันเป็นกลุ่เป็นการยังไม่ถือว่าเป็นการปิดวิเวกคุณทันชนกครับถ้าเราฆ่ามดในวันพระแต่เราลืมไปว่าเป็นวันพระจะบาปมากไหมคะ บาปทุกวันทันจะเป็นวันท้าแลไม่วันผ่านข้าเมื่อไหร่ก็ บ, บาปมื่นั้นคุณนารินครับถ้าคนที่เป็นมิจฉาทิฐิเขาดีกับเราเราควรทําตัวกับเขาอย่างไรดีคะก็ดีกับเขาไปเลยเรื่องมิเนื่องความกระเจนที่ไม่ถูกต้องมันเรื่องของเขาเรื่องการทาความดีมันก็เป็นเรื่องของเขาแต่ยากหรอคนที่มีมิจฉาทิฏฐิจะทําความดี แต่ก็าจจะทำความดีเพื่อที่จะหลอกเราก็ได้อยู่เราก็ต้องระวันระวังกัแล้วกันคุณนรินรัตครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะโยมจะมีความสุขใจมากเวลาอยู่คนเดียวคือประเภทโลกส่วนตัวสูงและจะมีนิสัยไม่ชอบเข้าสังคมที่มีความวุ่นวายโยมผิดปกติไหมคะไม่ผิดครับก็เป็นเรื่องของจิตที่ชอบความสงบกันนะอาจจะผิดปกติก็ตามเมื่อเวลาที่เราจะต้องเข้าสังคมแล้วเรามีปฏิกิริยา ที่ไม่ดีกับตัวเราเองอันนั้นถถ้ามาถึงเวลาทำเข้าสังคมเราก็ต้องทําใจกับตัวเองให้เข้าบสังคมแตเมื่อไม่ถึงเวลาที่จะต้องเข้าสังคมเราก็ไม่ต้องเข้าเราชอบอยู่คนเดียวก็อยู่คนเดียวไปคุณวีนาครับมีอะไรที่เราสามารถรู้ได้ว่าคนนั้นบรรลุธรรมมีอุเบกขาและมีอะไรบอกเราว่าคนนั้นบรรลุเป็นโสดาบันพระอนาคามิพระสกิทาขอขอพระอาจารย์เมตตาให้ความรู้คะ่ะ การรู้อะไรอย่างนี้ต้องมีโอกาสได้สนทนาธรรมกับท่านและเราก็ต้องมีธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องวัดด้วยถ้าเราเป็นบุตุชนนี่เราไปวัดความเป็นอาระยะบุคคลไม่ได้ถ้าเราเป็นพระโสดาบันเราก็จะวัดระดับโสดาบันได้แต่ระดับที่สูงกว่านั้นเราเขวัดไม่ได้เหมือนกับนักเรียนอ่ะถ้านักเรียนจบปริญญาตรีนี่ก็สามารถ วัดคนที่จบระดับอไรนี้ยาตีได้ถ้าได้คุยกันทางกันแต่ไปวัดระดับเรินยาโทไม่ได้เนื้อเไม่ได้เราต้องมีเครื่องวัดในตัว e เราด้วยไม่ใช่เมชาจะไปวัดผู้อื่แล้วเราไม่มีตัวที่ไปวัดเราก็จะไม่รู้ว่าท่านเป็นยังไงเขาพูดโกหกเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเรารู้แล้วเขาพูดโกหกเราก็จะรู้ว่าไม่ใช่หรือถ้าเขาูดความจริงแล้วก็รู้ว่าเออใช่เขาพูดความจริง แต่ไม่ควรจะสนใจเรื่องราวนี้ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นประเด็นสําคัญต่อาการปฏิบัติชุนมนคุณมลิครับการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ขาดแคลนในต่างประเทศโดยที่เห็นแก่ผู้ดําเนินงานมูลนิธิที่ตั้งใจระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนมากกว่าความศรัทธาที่จะช่วยเหลือจะได้บุญบ้างไหมคะมาเป็งให้เงินแทนที่จะช่วยเหลือจะดอมมั้ยคือเหมือนกับเห็นศรัทธาคนที่มาเออรียลัย มากกว่าที่จะคิดช่วยเหลืออย่างเงี้ยครับอาจารย์เห็นเราทพวกะศรัทธานคนที่เหลือไม่ได้สำเพราะข้อมูลนิธิแต่ทำเพราะคนที่มีศรัทธาคนที่ช่วยเหลือคนทํางานครับ ก, กไ็ได้บุญเหมือนกันะคือถ้าเราได้ช่วยเหลือผู้อ่นไม่ว่าด้วยสาเหตุอันใดก็ตามมันก็เป็นการเป็นการทําบุญอย่างหนเนื่องมาจากก็เป็นทานอย่างหนึ่ง คุณเดอะมัลติเวิร์สซลครับถามต่อครับถ้าหากว่าหลีกเลี่ยงทุก์ไม่ได้หรือทุกมีเพราะไม่ยอมรับทุก์ก็ยอมรับเสียด้วยความเข้าใจว่าทำเป็นอย่างนั้นเองอย่างนี้ได้ไหมครับคือทุกนี่มันจะดับได้เราต้องรังรับเหตุที่ทำให้มันเกิดทุกข์ขึ้นมาพี่เนี่เราไปรับเฉยๆอย่นี้มันก็ยังไม่ไดับมันไม่อยู่แล้วเราจะทนอยู่กับความทุกข์ไม่ได้โดยธรรมชาติของเรานี่ เราพยายามดินรนหนีความทุกกันตลอดเวนาแต่คิดว่าถ้าเราอยาอมนับความทุกข์ได้แล้วอยู่กับความทุกข์ได้ก็ก็ดีก็ถือว่าก็เป็นอาจจะเป็นเพราะเรามีปัญญาแล้วมีอุเบกขาก็ได้คุณสันติราครับ กราบมสการพระอาจารย์ค่ะขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ว่าในการเจริญสติปัฏฐานสี่เราต้องเริ่มพิจารณาทีละเรื่องจากกายแล้วไล่ไปเรื่อยๆถึงเวทนาจิตธรรมใช่ไหมคะหรือเลือกพิจารณาอย่างเดียวคะออต้องลไล่ปตามลำดับกายก่อนแล้วไปเวทน า, ลานแล้วค่อยไปจิตในการจะไปถึงการพิจารณาได้ต้องฝึกสติฝึกสมาธิให้ได้ก่อน คุณนาราครับกลบเป็นถามพระอาจารย์ค่ะในยุคภาวะโควิดระบาดลากยาวทำให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเกิดความคิดต่างๆแตกแยกสติลดก้าวล่วงกันโดยคำพูดแม้แต่ความเห็นต่างกันในการฉีดวัคซีนกราบขอให้พระอาจารย์ให้ธรรมะเตือนสติด้วยค่ะก็า้ีงในคำพูดว่านานาจิตตังนีนานาจิตต่างก็มีความคิดที่ต่างกันไปเป็นปกติของของจิตใจของแต่ละคน ที่สามารถที่จะมีความคิดต่อเรื่องการนั่นหนึ่งที่ไม่เหมือนกันได้เราก็ต้องเคารพในเสร็จของเขาเพรอยากจะคิดยังไงก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาไปถ้าความคิดของเขาครับที่คนเราไม่ตรงกันเราก็อย่าเอามาอย่าเอามาชนกันคืออย่าเอามามามาม า, มาคุยกันอย่างที่ใครพูดอยู่แล้วว่าเราต้องรู้จักเราสารส่วนเหมือนแนละสารส่วนต่างถ้ารู้ ถ้าเริ่มโควิดเริ่มวัคซีนนี้มีความคิที่ต่างกันก็อย่ามาพู ด, ค, าาพดคุยกันเพราะพูดคุยกันแล้วเดือดร้อนกันอย่างนี้แตนะ่ถ้ามีความเห็นเหมือนกันว่าเห็นว่าฉีดวัคซีนดีก็มาพูดกันได้คุยกันะดถ้ามีความคิดตรงกันถ้าไม่ตรงกันก็อย่ามาพูดพยายามสงวนส่วนต่างประษาส่วนเหมือนเราจะไม่มีปัญหาต่อกันกนะครับ คุณจอยครับจากนมัธยารพระอาจารย์เจ้าขาสอบถามว่าเวลาเปิดเพลงบรรเลงผ่อนคลายเบาๆแล้วนั่งสมาธิไปด้วยรู้สึกว่าจิตไม่ไปจับขันอื่นจะ น, นิ่งกว่านั่งเงียบๆได้ยินเพียงเสียงแบบนี้ผิดทางไหมคะควรทําไหมคะก็มันไม่ได้เป็นวิธีที่ถูกต้องเพราะว่ามันเป็นเป็นการเสพการเสพการคือเสียงซึ่งเสียงนี่ก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยว เสียงมันเปลี่ยนได้จากเสียงดีกลายเป็นเสียงไม่ดีก็ได้หรือเสียงดีแล้วมันหายไปมันหยุดไปมันก็จะทําให้รเราคร่งได้เระพุทธเจ้าจะไม่ไ ม, ไม่ไม่แนะนาให้ใช้เสียงต่างๆมาเป็นเครื่องมือในการทํำจิตใจให้สงบแล้วจิตใจสงบไม่ได้เพราะมันยึดติดมันจะติดอยู่กับเสียงนั่นเองมันจะเข้าสู่ความสงบไม่ได้ คุณซีเจครับเจริญเมตตาภาวนาแผ่ไปให้รอบระหว่างทำสมาธิบางทีก็เหมือนวูบหล่นไปบางทีเจอคนป่วยเราก็แผ่ให้จนเห็นเขาหายดีขึ้นอย่างนี้เราจะเจ็บป่วยไหมแผ่ไปเรื่อยๆบางทีจิตยังไม่ออกจากสมาธิเราก็ออกไม่ได้ปฏิบัติถูกไหมคะเป็นเรื่องที่เร า, าถูกก็เอผิเราก็ไม่รู้เหมือนกันนี้ คือการนั่งสมาธินี่เราไม่ต้องการแทนอะไรทั้งนั้นเราต้องการให้จิตสงบเน่งเพ่งอย่างเดียวไม่มีสติและรูอ้อยู่ตลอดเวลานลวเมื่อถึงเวลาจิตมันจะออกมาก็ออกของมันเองเราไม่มบังคับให้มันออกถ้ามันยังไม่อยากออกก็ปล่อยมันนั่งต่อไปให้มันสง บ, บต่อไป คุณห้าคุณขาวกระบี่ครับนมัธศ ก, การพระอาจารย์ครับการฝึกแบบมโนโมยิทธิถือเป็นการส่งจิตออกนอกใหม่ครับถ้าสามารถเห็นนิพพานจะมีสิทธิ์ขึ้นนิพพานใหม่ครับอันนี้ไม่ทราบเลยต้องไปไกลศึกษางานนี้มาทุกข้อพอาย้วยคุณเคมิกาครับ ก, การมัธมศึการพระอาจารย์เจ้าข่ายงข อ, งของกลับเรียนถามว่าสําหรับฆราวาสที่สวดมนต์อยู่ที่บ้านต้องใช้บทสวดไหนคะกลับสาธุตครั บทไดนก็ได้แต่ใช่ง่ายๆก็สวดบทในทิพิ์โสเนี่ยคือสวดบทพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคคุณแล้วถ้าอยากจะสวดบท่วนบทไดนเพิ่มก็ได้มองคลละสุดก็ได้สติประานสุดก็ได้แล้วแต่เราต้องการจะสวดไม่มีไม่มีความแตกต่างกันการสวดบทไหนก็เป็นการเจริญสติเหมือนกัน คุณสามิตรครับขออนุญาตกราบน้มักการพระอาจารย์ครับพ่อแม่เราทํากรรมไม่ดีผลกรรมนั้นลูกจะได้รับด้วยใช่หรือไม่ครับไม่หรอกเป็นกรรมเฉพาะตนเรามีกรรมเป็นของของเราแล้วทํากรรมมันไดว่าดีอย่เชื่อเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นจากครูจอสครับน้องกราบน้อมักการพระอาจารย์ครับช่วงนี้ผมจเจริญสติทุกวันและในวันที่ผมสงบมากๆผมจ ะ, จะเจริญ ปัญญาเกี่ยวกับเรื่องตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาแต่ก็ยังไม่เข้าใจอย่างเต็มที่ใครขอพระอาจารย์ได้อธิบายเพิ่มเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นไปอีกครับขอบคุณครับการมาตัณหาก็คือความอยากเสพการไม่อยากเสพเรื่องเสเกินแล้วถึงเช่นอยากไปเที่ยวนี่อยากจะไปกินไปดื่มนี่เรียกว่าเป็นการเสพการภาะวะตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นเช่นตอนนี้นอยากจะเป็น ผู้ว่ากันอยากจะเป็นนายกอกอปจนายกเทศบาลอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นภาวตันหาอย่างส่นวนวิภาควัฒนาก็คือความอยากไม่เป็นเป็นอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ติดเชื้อโควิดอย่างนี้ก็เรียว่าเป็นเป็นวิภาควัฒนาเราเกิดความอยากเหลนี้แล้วใจเราจะวุ่นวายใจเราจะไม่ได้ไม่สงบ uk, ใจเราจะทุกข์ ถ้าเราละหยุดความอย่างกนี่ได้ใจเราก็จะนิ่งสงบไม่วุ่นวายไปกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นคุณเพลินพิทครับเวลากระผมทําบุญเสร็จทุกครั้งจิตใจกระผมจะเย็นเหมือนน้านี่เป็นเพราะบุญเกิดแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ผลได้ของบุญก็คือความสุขใจความเย็นใจนี่ความอิ่มใจ คุณอนุสิทธิ์ครับผมจะเอาเงินไปมอบให้เจ้าอาวาสวัดสร้างโบสถ์กับเอาเงินตั้งเป็นกองพระป่าสร้างโบสถ์แบบไหนได้บุญมากกว่ากันครับการตั้งกองพระป่าหมายถึงเราต้องการที่จะให้คนอื่นเข้ามาร่วมทําบุญกับเราครับผมก็อยู่ที่ว่าถ้าเราตัวเราเงินของเราเองเราจะทำหรือเปล่าพอเราได้เงินเขือมาแล้วเราไม่เอาเงินของเราออกเลยนี่เราก็ไม่ได้บุญเลยพราเป็นเงินของคนอื่น แต่างถ้าเราก็ตั้งใจว่าจะเอาเงินก้อนนี้ไปทำสร้างบวถแล้วแต่อยากจะเปิดโอกาสให้คนอื่นที่เขาไม่มีโอกาสไปวัดมาร่วมทําบุญกับเราด้วยการทําเป็นกรอพร้าป่าอันนี้ก็ทําได้แต่เราถ้าอยากจะได้บุญเท่ากันบุญของเราเท่ากันแบบทำผ้าป่านันไม่ทำผ้าป่าเราก็ต้องบริจาคเงินเท่าเดิมถ้าเราบริจาคเงินโดยที่ไมปตั้งกรอพร้าป่าสมมติห้าพัน 5, นี้ แล้วเรามาตั้งกองผาป่าเราก็อยังว่าจาค 5,000 อยู่มันก็ได้เท่ากันแต่ถ้าเรามาตั้งผ้าป่าแล้วเห็นว่ามีคนมาร่วมยมันมากกว่า 5,000 ล้วก็เลยตัดจำนวนเงินของเราลงให้มันเหลือแค่ 5,000 แทนทีจ 5, ่จะบริจาค 5,000 อาจจะบ่าจาคแค่พันเดียวอย่างนี้ถ้าเท่ากับเราลดการทำบนญของเราลงในส่วนของเรา คุณเพลินพิทครับทำไมกับผมทำบุญอยู่บ่อยครั้งแต่กับผมยังต้องเจอแต่อุปสรรคปัญหาอย่างมากมายนี่เป็นเพราะกรรมเก่ากําลังส่งผลอยู่ใช่ไหมครับพระอาจารย์ก็มีส่วนนัวิธีการดําเนินชีวิตของเราบางทีคนเราชอบไปเจอหาอุปสรรคกันเองในทางที่ไม่มีอุปสรรคเราไม่ไปกันมืนกันเป็นเรื่องของการเดินของเราถ้าไม่มีปัญญาลราอาจจะเดินเข้าหาุปสรรคกันในถ้ามีปัญญาลราอาจจะเดินถอยออกจากอุปสรรค พอเรารู้ว่าเหตุที่ทําให้เกิดอุปสรรคก็คือความอยากกับกิเลสตัณหาของเรานี่ไม่ใช่ไหอีกคําถามนะครับอาจรารย์ครับคุณมะลิครับทําอย่างไรจะปล่อยวางความกลัวเจ็บไข้ได้ป่วยที่ทําให้ไม่กล้าเดินทางไปไหนไกลๆเพราะส่วนหนึ่งของความเจ็บป่วยมีสาเหตุจากความวิตกกังวลเรื่องความสะอาดมากไปอนามัยจัดครับก็ต้องมันเราเลือกอยู่เรื่อยๆ ว, ว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเราต้อง เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไปมานานรุ่มพ้นไปไม่ได้เราให้เราระมัดระวังประงๆอะไนก็ตามเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องเจ็บไายได้ป่วยหนีไม่พนถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราตัดนะว่าเมื่อถึงคัานที่มันจะเป็นไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือที่ไหนมันก็เป็นได้ทั้งนั้นแต่ถ้าเรามีความระมัดระวังก็บเรากันถ้าเราไปที่ที่ไหนที่ไม่สารแล้วก็ทําความสะอาดก่อนเข้าไปห้องน้าเห็นมันสกปรกเราก็ทําความสะอาดซะก่อนแล้วไปใช้มันก็ได้ คำถามนะครับอาจารย์คนที่พิมพ์มายาวของตั้งใจครับคุณสิริครับกลับเรียนพระอาจารย์หนูขอเรียนถามเจ้าค่ะปกติหนูพิจารณารูปนามเจ้าค่ะพอมีอะไรกระทบก็ใช้รูปกับนามแต่ช่วงหลังใช้ชีวิตประจำวันมักมีอารมณ์หงุดหงิดไม่สบายใจรําคาญใจหนูก็ดูมันรู้เท่าทันแต่ปัญหาเกิดตอนหนูมาถือศีลที่วัดค่ะอยู่คนเดียว ความหงุดหงิดมันขึ้นมาในใจโดยไม่มีรูปมากระทบกับนามมันเกิดมาเองหนูจะเอาอะไรไปตัดเจ้าคะแม้แต่ตอนนอนมันเกิดแม้แต่ตอนนอนหลับก็มีอารมณ์หงุดหงิดเกิดขึ้นในตอนหลับหนักสุดตอนเช้าตีสี่ตื่นมาทําวัดเช้านั่งสมาธิในโบสถ์เห็นไฟไหม้ในโบสถ์ไหม้ทั้งหลังคําถามมีแค่นี้คือต้องใช้สตินี่ใจเราคิดพูงแตกในทางความอยากต่างๆมันก็เลยทําให้เกิดความหุดหงิดขึ้นมาในใจ ถ้าเราหยุดความความอยากหยุดความคิดได้ความหงุดหงิดก็จะหายไปเน่องเวลาเราไปอยู่คนเดียวอยู่ที่บ้านนี่เราต้องพยายามทําสติให้มากคอยควบคุมความคิดอย่าให้คิดไปตามความอยากต่างๆเพราะมนทําเวล้เรารู้สึกเหนียวว่างอยู่หงุดหงิดบ้างยังต้องฝึกสติให้มากเวลาที่เราไปถือศีลเทวะเพราะเวลาเราไม่ถือศีลเรายังมีเรื่องอย่างหนึ่งทําได้อยู่ที่บ้าน เดี๋ยวเราก็ดูหนันได้เดี๋ยวเรากินขนมได้ทำอะไรหน้ามันก็เลยไม่หงุดหงิดถ้าเราไปอยู่ที่วัดทําไม่ได้เลยของพวกนี้เราก็ต้องใช้สติอย่งเพียงอย่างเดียวนับความอยากที่จะทำสิ่งต่างๆให้ได้ถ้าเรางัดไปได้ทำมือก็จะหายไปครับพระอาจารย์ครับขอโอกาสเรียนพระอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังธรรมในเฟซบุ o กหกร้อยเก้าสิบคนครับ ในยูทูบห้าร้อยสาสิบคนในขับเฮาส์สิบเก้าคนครับวันนี้มีเพื่อนเพื่อนฟังธรรมอยู่พร้อมกันหนึ่งพันสอง้อสาสิเก้าคนนะครับอาจารย์ก็ยินดีที่มีท่านใช้ความสนใจต่อการศึกษาต่อการบฏรบัติธรรมต า, า, า, า, ามคำสั่งคำสอน ข, ของพระสัจฉิเพราะหวังว่าจะได้นำสิ่งที่ดีมาให้กับท่านต่อไปคือการบรรลุธรรมขัน้นต่างๆการแสดงธรรมสาหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรม ย, ยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุก็ข อ, ขอลาคุณหมอแนละท่านผู้ชมผู้ฟังไปเพียงเท่านี้แล้วก็คิดว่าถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรก็คงจะได้ความเป็นเอกนในคราวหน้าคือวันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวครับ เวลาด้านไปก่อนนะเวลาพั่อนเลยคลับขอบคุณครับ